ไม่อยู่มีอยู่นยิ่งื้น้ำจริงไม่น่าไปนะไม่ก็เดี๋ยวพี่ก็ฮัโลฮัโลโอเคครับถึงคนน้อยเราก็จะเริ่มกันอยู่ดีนะครับก็ขอชนเอ็มตีจุดรอครับคุณ แปแรปแคุณเผ่าเทพนะครับพิจิโนต์สากรสวัสดีครับอ่าตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นได้แล้วเนาะก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็แน่นอนนะครับวันนี้คนมากันสายจังเลยเออมากันสายแต่มาสายดีกว่าไม่มาใช่ไหมอ่าแต่คนที่อยู่ที่นี่ถือว่าถือว่ามาแล้วตอบต้องตัวดีนะครับ อ่ะก็ไหนๆก็น้องระหว่างที่เรารอเนี่ยจริงๆผมก็จะขึ้นมาเล่นมุกแต่ว่าผมก็ไม่มีมุกไม่ได้เตรียมมาคือเป็นคนไม่ขำอ่ะไม่ไม่ตลกอะ่ะใช่ปะอ่าดังนั้นเรามาให้ความรู้กันกันดีกว่าอ่าเดี๋ยวอันนี้เอาขึ้นยังไงเนี่ยดึงโอเค อ่าจริงๆพรีวิวคอร s สตัวเองโอ้ยน่าไม่อายเดี๋ยวกันช่วยปิดนี้ก่อนได้ปะโอเคเรามาเรามาอยากใครอยากเรียนวิทยาศาสตร์บ้างอ่าโอเคมาเรียนเรื่องสารอาหารกันดีกว่าเชิงเคมีเอาไหมจ ร, จริงจริงจริงก็ไม่รู้ไม่รู้หรอกหรูบ้างนะครับอ่ะมามาดูกันว่าไอ้ที่เราคุยกันเนี่ยโปรตีนมันคืออะไรคาร์บไฮเดรตคืออะไร แล้วก็ไขมันคืออะไรนี่แฟตเพราะนี้เป็นคําถามที่ผมเองตอนตอนมาศึกษาเรื่องนี้ใหม่ๆเนี่ยคือพออ่านอ่านไปเรื่อย ก, ก็ชักงงอะ่ะเฮ้ยทาไมทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าพืชก็มีเซลล์ <c oughs> อ่าสัตว์ก็มีเซลล์ใช่ไหม <c oughs> และเซลล์ของสัตว์ทั้งงมาจากอะไรโ <c oughs> ปรตีนใช่ไหมครับเฮ้ยแล้วพืชก็มีเซลล์เหมือนกันนะ เซลล์มันสร้างมาจากอะไรอ่ะโปรตีนหรือเปล่าเออถ้าถ้ามันเป็นโปรตีนแล้วทําไมเรากินแล้วเราไม่ได้โปรตีนนะเออทําไมเรากินพืชแล้วเราได้คาร์โบไฮเดรตอ่ะอ่าถ้าฟังอย่างนี้แสงว่าเซลล์ของพืชสร้างจากอะไรใช่คาร์โบไฮเดรตค <laughs> รตับแต่ถ้าถ้าเป็นแป้งนี่เราคงกระโดดงับมันได้แล้วแหละ <laughs> นะครับจริงๆเนี่ยถ้าพูดเชิงเคมีเนี่ยคาร์ ไฮเดรตก็คือมีคาร์บอนกับ H2O รวมกันนะครับอ่าโครงสร้างมันเองเนี่ยผมดินก็ไม่ค่อยรู้มากหรอกนะแต่ต่อมาโปรตีนเนี่ยจริงๆโปรตีนคือสารเคมีที่เขาเรียกเป็นออแกนิกเป็นอินทรียเนี่ยส่วนมากมันก็มีไอ้สามตัวเนี้ C H O คาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนนะครับส่วนโปรตีนเนี่ยผมผมไม่แน่ใจนะว่าไอ้สูตรเคมีมันเป็นยังไง แต่หลักๆ ก, ก็คือมันก็คืออะมิโนแอซิดที่มาประกอบล่างกันใช่ไหมครับ <S <S อืมนะครับอ่ะต่อมามาดูมาดูไขมันบ้างแฟตในนี้พรีวิวนะครับก็แฟตเนี่ยจริงก็มา C H O เหมือนกันเนี่ยแหละนะแต่แฟตนี่จะเป็นพวกไตรกีเซอร์ไลน์ซึ่งไตรกีเซอร์ไลน์หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้มีกีเซอรแล้วก็มีฟ a ตตี้แอซิด อ่าตรงนี้เรียกว่าไอขายสันหลังมันเนี่ยเรียกว่ากรีเซอร์ลาลรวมกันสามอันก็เป็นตรีกรีเซอรไลนะครับส่วนอะมิโนแอซิดเนี่ยก็อย่างที่มันชื่ออะไรบ้างนะมีใครจำได้บ้างอ่าเอเซนเชลอ่ามันจะซีนซีนอะไรใช่ป่ะอ่านะครับนะครับอ่าโอเคนะ ในในพวกแฟตเนี่ยจริงๆมันก็มีญาติญาติของมันก็คือพวกพวกอย่างเขาเรียกพวกสเตอรอยด์แต่จริงในสเตอรอยด์ในที่นี้หมายถึงพวกอย่างพวกคอเลสเตอรตอรลนะครับสะกดยังไงวะคอเลสเตอรตอลนะอ่ะมาดูเซลของสัตว์เซลของสัตว์ทั่วไปหน้านตาอย่างนี้ไขาดาวใช่ไหมมีนิวเคลียสมีอวัยวะต่างๆอวัยวะออมันเนี่ยก็อย่างเช่นไมโทคอนเดรียรเป็นต้นนะ แล้วมันก็มีออเกนเอลอย่างอื่นไอ้ที่มันเพิ่งชนะรางวัลโนเบลเนี่ยมันพูดถึงว่าไมโตชอนเดียเนี่ยผลิตอะไรเอ่ยพ ล, งงพลังงานนะครับจริงเป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของ ATP นะครับแต่เซลล์มันต้องการสารเคมีอย่างอื่นด้วยนะครับมันก็จะมีพวกตัวอื่นที่มันผลิตสารอย่างอื่นซึ่งที่เขาชนะรางวัลโนเบล Pri ส์เนี่ยเขาบอกว่าไอ้สารเนี่ยจะมาจากไอ้สมมติมาจากอวัยวะเนี่ยมันจะไปตรงอื่นเนี่ยมันกระบวนการมันเป็นยังไงนี่คือ สิ่งที่เพิ่งชนะโนเบลปริ๊ไปฮะเออก็คือตัวนี้อ่ะเดี๋ยวพี่ลินมาแล้วเดี๋ยวเริ่มนะครับก็ผนังของเซลล์ที่เป็นสัตว์เนี่ยมันก็จะประกอบด้วยโปรตีนกับคอเลสเตอรอลเป็นหลักก็คือร่างกายเราเนี่ยจริงก็สร้างมาจากทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันอืมนะครับช่วงนี้ก็ระหว่างรอเพื่อนๆก็กำลังให้ความรู้นิดหน่อยๆ น, นะครับอ่ะมาดูเซลล์ของพืชบ้าง เซลล์พืชก็มี DNA เหมือนกันมีนิวเคลียสนะครับจริงก็มีเซลล์วอล์เหมือนกันอ่าเซลล์วอล์ก็คือเนี้ยสัตว์เรามีเซลล์วอล์นะครับมันแยกระหว่างบรรยากาศข้างนอกกับบรรยากาศข้างในอ่านะครับก็เป็นพวกพลาสมาอยู่ข้างในแต่พืชเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่มีคือมันจะมีอันนี้มันจะมีกำแพงกำแพงเนี้ยเป็นพวกเซลลูโลสอ่าก็พวกคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะครับ น, นี่ก็เป็นเหตุผลล้วทำไมพืชมีคาร์บโบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบกินเราไม่ค่อยได้โปรตีนแต่ถามว่าได้โปรตีนไมมันก็ต้องมีบ้างแหละในเซลล์มันก็มีบ้างเนาะนะครับก็อันนี้เป็นหนึ่งปริศนาทำไมกินโปรตีนแล้วไม่ได้กินพืชแล้วไม่ได้โปรตีนเอออ่าโอเคเดี๋ยวร อ, ร, อรอสัญญาณจากข้างหลังนะครับแล้วจะเริ่มสัญญาณอย่างนี้หรืออย่างนี้อย่างนี้โอเค นะครับก็เกิดความรุนนิดนิดนิดหน่อยๆเนาะนี่นี่คือเล่นมุกอยู่นะครับเล่นมุกเป็นความตั้งใจนะครับอ่าโอเคดีเจขอขอเพลงเร้าใจหน่อย พี่นน์ไม่อยู่เต็นได้โอเคขึ้นมาแล้วครับปิดอมันแบ่งตัวพี่เป็นเซลเอ้ยนะครับก็สวัสดีนะครับผมเผ่าเทพพี่ชุตสากร์อนนะครับวันนี้ไม่ได้อาสัมาเป็นดีเจแต่ยึดเวทีเลยเออเอ้ยเป็นเอ็มซีโทษทีครับก็สวัสดีนะครับ คือว่าเวทีเนี้ยมันโอ้โหสาคัญขนาดไหนนะครับธรรมดาเนี่เวลาผมช่วยจัดตลาดนี่โอ้โหคนแบบใส่ลิสต์กันมาอยากจะเหยียบหัวกันขึ้นมาบนนี้เลยอ <What? S 1> เออวันนี้แบบเราเห็นมันว่างเราก็เลยเสียบ <What? S 1> เออนะครับ mm hmm. ก็วันนี้นะครับก็เป็นวันที่สามของคอร์สการเรียนรู้ของเราใช่ไหมครับอ่า <What? S 1> มาเรียนรู้เรื่องอะไรเอ้ยจิบสาว <What? S 1> ไม่ใช่เอาแล้วพี่นนท์มาหมายความว่าไงเา้ยเจ้า hmm. <laughs> เพื่อน <laughs> นะครับก็ผ่านมาสองครั้งแล้วนะครับครั้งแรกเนี่ยเราก็เรียนรู้เรื่องหนึ่งก็คือวงจรของอาหารสมัยใหม่นะครับว่ามันน่า ก, กลัวยังไงนะครับแล้วก็เราก็เรียนรู้ว่าขั้นต้นเราจะจัดการเผชิญหน้ากับอาหารที่น่ากลัวพวกนี้ได้ยังไงนะครับ <S <S วิธีหนึ่งก็เราก็สามารถดีท็อกนะครับเราก็ให้เวลาเราร่างกายเราได้พักผ่อนบ้างนะครับจากการที่ต้องเจอสารเคมีที่อยู่ในอาหารสมัยใหม่เนี่ยโจมตีร่างกายเราตลอดเวลาเราก็สามารถทําดีท็อกนะครับให้เวลาเราร่างกายเรา โอเคหมดแล้วครับนะครับทําดีท็อกให้ร่างกายเราได้พักสักสองอาทิตย์เนาะอยากทํานานๆทำสามอาทิตย์ก็ได้นะครับทานไปตลอดเลยก็ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นี่ที่คุณป้าที่บ้านก็ฟังแล้วก็กำลังเลอยู่อยากลองแต่ไม่รู้ว่าจะจะไปรอดไหมนะครับต้องกินพักสิบสี่วันนะครับวันนี้ผมก็จริงก็ขนอาหารดีท็อกมาให้เพื่อนๆเพียบเลยนะครับอ่าแล้วหลังจากวันที่หนึ่งเนี่ยพอมาวันที่สองเราก็เรียนเรื่องอะไรกันครับ เรื่องภูมิคุ้มกันใช่ไหมครับอืม mm. นะครับจริงก็สอดคล้องกับวันแรกมากเนาะว่าคือร่างกายเราเนี่ยถึงโดนโจมตีจากภายนอกแต่มันก็มีภูมิคุ้มกันอยู่ภายในนะครับไม่งั้นเราก็คงเด้ยงตั้งแต่ยังไม่ได้ทําอะไรล้วนะครับถ้าเราเจอแค่เชื้อโรคนี้หน่อยก็ไปแล้วนะครับจริงก็เมื่อวานเนี้ยเมื่อเมื่อวานอ่ะผมพูดเรื่องโอกาสทางธุรกิจอย่างหนึงที่ผมพูดถึงก็คือเรื่องของที่ตลาดอาหารเสร์ฟตอนเนี้ยเป็นตลาดที่บูมมาก mm. ใช่ไหมครับ ผมอาจจะไม่พูดถึงเหตุผลนี้หลายๆอย่างก็หนึ่งก็คนแต่งงานช้าลงนะครับพอช้าลงเนี่ยก็อยู่อยู่คนเดียวนานขึ้นก็อยากดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือการแพทย์สมัยนี้สมัยนี้เนี่ยดีขึ้นนะครับถึงเรามีภูมิคุ้มกันเนี่ยเราก็มียามาช่วยด้วยนะครับก็ทําให้คนนี่มีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นนะครับดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าคือคนคนอยู่อยู่ได้นานขึ้นเขาอยากมีสุขภาพที่ดีก็มาสนใจอาหารเสริมนะครับ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องไม่มองข้ามภูมิคุ้มกันของตัวเองนะครับเพราะมันเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคในขันแรกไม่จําเป็นเราก็ไม่อยากใช้ยาใช่ไหมครับอ่าแต่พอเราสามารถทีสมัยนี้เนี่ยด้วยร่างกายเราเราก็ด้วยยาสมัยใหม่เนี่ยเราสามารถเอาชนะเชื้อโรคได้ละแต่สิ่งที่มันไม่คาดไม่คาดไม่คาดหลายคนไม่คาดฝันที่มันเกิดขึ้นในสมัยใหม่นี่ก็คือโลกสมัยใหม่อืมนะครับโลคขคนสมัยใหม่เนี่ยก็อย่างเช่นโรคหัวใจอ ย, อย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็น โรคที่ฆ่าชีวิตผู้คนเป็นอันดับต้นๆ น, น, นะครับอะไรนะครับพิษตุวิโรคฮิตโรคฮิตพิษปัปปุระอ๋อโอเ okay. คนื้อว่านื้อว่าเป็นเป็นอีกชื่อโรคหนึ่งอย่างโรคโป้งอะไรเงี้ยไข้โปองอ้งเงี้ยอันนี้ก็ปัปปุระตั้นานมาแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยเราก็มาเรียนรู้ถึงโรคอีกโรคหนึ่งนะครับจริงคําว่าโรคเนี่ยขอย้อนหลังนิดนึงผมจําได้ตอนเรียนภาษาอังกฤษที่ที่ออสเตรเลียคําจัง คำจำกัดความของคำว่าโรคเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า disease รู้ไหมมันมาจากคาว่าอะไรอ่าถูกต้องนะครับมันมาจากคำว่า this i s ก็คือ e s ก็คือสบายตัว this ก็คือไม่ disease ก็คือไม่สบายตัวอ่ดังนั้นไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเชื้อโรคจริงถ้าเราติดเชื้อโรคแต่ว่ายังสบายตัวก็อาจจะไม่นับเป็น disease นะครับเป็นเหตุผลว่าทําไม HIV virus เนี่ยเป็นแค่ไวรัสแต่พอออกอาการถึงจะเรียกว่าเป็นโรคเอชเราไม่ได้เป็นโรค HIV เราติดเชื้อ HIV แล้วถึงเป็นโรคเอดส์อ่าเข้าใจไหมนะครับดังนั้นถ้าเราไม่ติดเชื้อโรคเนี่ยแต่เราไม่เกิดเกิดไม่สบายตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นโรคเหมือนกันนะครับอย่างเช่นโรคหัวใจอย่างนี้ก็ถือเป็นโรคแต่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคมันเกิดจากอะไรอ่าอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้เนี่ยต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจฟังเมื่อกี้พลึกจะพึึงงงูเป็นนอนหนูอาจจะเข้าใจผิดกันได้นะครับต้องตั้งใจฟังนะครับก็ คนที่ขึ้นมาพูดเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นพี่คนหนึ่งนะครับที่ด้วยเนื้องายของเขาแล้วเเาเป็น Marketing Research นะครับตั้งแต่เจอเนี่ยคือเป็นคนที่ละเอียดมากนะครับในเรื่องของของข้อมูลนะครับผมเองก็ได้เห็นพี่คนนี้ทำทาการวิจัยถึงเกี่ยวกับข้อมูลที่เขาจะเอามา Present ในวันนี้ก็รู้เลยว่าถ้าเป็นพี่คนนี้เนี่ยไม่พลาดแน่นอนแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยรูโหวตอะไรอุดแก้อุดหมดนะครับเพราะว่า เวลาฟังเขานี่คือเขาก็ไม่ยอมให้ปล่อยกลับบ้านจนกว่าจะตอบได้ทุกคําถามนะครับทาให้ผมนั่งสับประงกอยู่หลายครั้งนะครับเพราะโอ้ยอยู่กันนานมากนะครับก็หล่อเล่นนิดหนึ่งนะครับแต่พี่ดอมนี่ก็เก่งมากนะครับก็ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมาแบ่งปันความรู้ให้กับพวกเรานะครับก็แทนที่ว่าเราต้องไปเสียเวลาค้นหาความรู้พวกนี้เองเนี่ยเราก็สามารถฟังจากพี่คนนี้ได้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวขอเสียงปุ่มือดังๆเลยะนะครับให้กับคุณปารณีสืบแสงนะครับ ขอบคุณค่ะอ๋อคุณนาฝาค้างมากมากโอเครดคเรดอนได้แฮนด์เอายังคะได้แฮนด์เอากันหมดทุกคนแล้วนะคะพี่แจ๊กให้ที่ต่อโอเค กกเมือกี้น้องกิตพูดอะไรนะเราเราอ๋อเป็นโรคอีกอันหนึ่งที่ทุกคนไม่อยากจะเป็นใ ช, ใช่ไหมคะก็คือเรื่องลอกโรคเสื่อมลอกเสื่อมเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่มันเป็นเชื้อโรคนะคะแต่ว่าเป็นอะไรที่ทุกคนต้องเผชิญเพราะว่าเวลาเราแก่เราเวลาร่างกายเราแก่หรือว่าอายุยี่สิบป่าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเสื่อมโดยธรรมชาติ เปิดเปิดาโทษดีค่ะโอเคขอบคุณค่ะไม่ดังไหมคะดังะเริ่มแรกก่อนนะคะก่อนที่จะเ อ, อรันทั้งหมดเนี่ยประมาณพี่จะใช้เวลาประมาณห้าสิบนาทีอาจจะแบบเกือแบเบกือแบบแบบชั่วโมงก็เอเจินดาวันนี้จะพูดเนี่ยเราจะพูดถึงให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าโรคเสื่อมคืออะไรก็จะไปที่ความหมายของโรคเสื่อม แล้วก็เป็นประเภทของโรคเสื่อมที่มาอาการการนักษาที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าโรคเสื่อมอ่ะคือข้อเสื่อมเวลาไปพูดกับเพื่อนเขาจะเข้าใจว่าข้อเสื่อมแต่โรคที่เราเ ป, เป็นกันอยู่เนี่แหละก็คือโรคเสื่อมที่ไม่ได้มาจากเชื้อโรคนะคะแต่มันเป็นการอักเสบเรืร้อรังแล้วก็ประเภทมันคืออะไรบ้างก็ยกมาให้เป็นหลักๆจริงๆโรคเสื่อมเนี่ยมันครอบคลุมถ้าจะครอบคลุมจักรวาลแล้วสมัยนี้นะคะส่วนที่มาอาการเนี่ยไม่ได้อยากจะเจาะลึกลงว่า โรคแต่ละโรคมีอาการยังไงแต่เพียงแต่ว่าต้องต้องเข้าใจว่าที่มาของความเสื่อมมันทําให้เกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ปัจจัยหลักก็คือว่าเราจะเสียค่าใช้ใจ่ายเยอะมากขอบคุณค่ะปัจจัยหลักก็คือเราจะเสียค่าใช้ใจ่ายเยอะมากจากการรักษาโรคเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องหันมาดูแลตัวเองยังไงเพื่อป้องกันโรคเสื่อมนะคะมันก็จะเป็นที่มาของว่าเราจะพูดถึงเรื่องของอาหารเสริมนะคะเป็นเป็น เป็นที่ป้องกันของโรคเสื่อมได้แล้วก็ประเภทของอาหารเสริมกับประโยชน์ของมันมีอะไรบ้างนะคะโรคเสื่อมหรือว่าเรียกว่า degenerative disease ไม่ต้องเอ่อโรคเสื่อมตะกี้พูดไปแล้วมันคือเหมือนการเสรื่อมถอยของการทํางานของโครงสร้างเนื้อเยอื่อคือร่างกายเราเนี่ยจะประกอบก่อนที่จะมาเป็นไอไวัยวะมันจะประกอบไปด้วยเซลล์นะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าในเซลล์นี้มันมีอะไรบ้าง ประกอบด้วยเซลล์แล้วก็เซลล์เนี่ยพอเวลามันเสื่อมปึ๊บโครงสร้างเนื้อเยื่อกับอวัยวะมันก็เสื่อมตามเพราะว่าอวัยวะกับเนื้อเยื่อเนี่ยมันคือมาจากเซลล์นะคะร่างกายเรามีประมาณหกสิบ้าล้านเซลล์ด้วยกันกว่าจะประกอบขึ้นมาเป็นอวัยวะแล้วก็มันมาจากพฤติกรรมยกตัวอย่างเช่นการไม่ออกร่างกายการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมประเภทที่ไม่เหมาะสมในปริมาณที่ไม่เหมาะสมแล้วก็การขาดความรู้เรื่องโภชนาการว่าอาหารประเภทไหนให้อะไร ยกตัวอย่างสั้นๆง่ายๆอย่างสมมุติว่าคนที่กินผักเยอะอย่างนี้ยก็จะเข้าใจว่าผักทุกชนิดให้ไฟเบอร์ไฟเบอร์มันก็มีสองประเภทแล้วละลายน้ําไม่ละลายน้ําของพวกนี้ต้องรู้ละลายน้ําเอาไว้ทําอะไรไม่ละลายน้ําเอาไว้ทําอะไรมะเขือเทศควรกินตอนไหนมะเขือเทศควรกินตอนสุกมากกว่าเพราะว่าไอโมเลกุลของไลโคปินมันจะไม่เกาะกันมากเพราะมันไม่เกาะกันมากร่างกายก็ดูดซึมเอาไปใช้ได้เร็วกว่า <S <S <S นะคะแล้วก็ลอกเสริมนี่ ม, นมันไม่ใช่ลอกลอกเรื่องลอกติดต่อนะคะ เราเสื่อมสาเหตุหลักๆเลยมีอยู่สองสองอย่างก็คืออนุมูลอิสระเดี๋ยวจะมาแตกให้ฟังว่าอนุมูลอิสระคืออะไรบ้างนะคะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของการอักเสบการอักเสบนี่ไม่ใช่อักเสบติดเชื้อลอกเป็นหนองแต่ว่าเป็นการอักเสบที่เกิดจากปฏิกิริยาในด้านภูมิคุ้มกันหรือว่าปัจป จ, จัยทางภายนอกนะคะที่ร่างกายเนี่ยรับสิ่งแปลกปลอมเข้าไปก็ทําให้เกิดการตายของเนื้อเยื่อหรือว่าการเสื่อมของเซล โรคเสื่อมมันก็จะมีที่วงเหลืองๆนี้ก็คือที่จะพูดถึงวันนี้นะคะเบาหวานมะเร็งเป็นโรคทับพิษไ ข, ข้ออกเสบหรือว่าโรมาตอยด์แล้วก็เรื่องโรคหัวใจนะคะพาร์คินสันเดี๋ยวนี้เริ่มมีคนเป็นเยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็มีจริงๆโรคภูมิแพ้น้องๆน้อ ง, องแก็กพูดไปแล้วเรื่องภูมิคุ้มกันก็ไม่ไม่ไม่พูดอีกต้อกระจกก็เป็นอันหนึ่งของโรคเสื่อมนะคะ โรคทาราทุกคนหลีไม่ได้ออกซิเดชันเอาง่ายๆเลยเวลาเราปอกแอปเปิ้ลทิ้งไว้ทิ้งไว้ในอากาศมันก็จะเกิดเขาเรียกอะไรอ่ประปฏิกิริยาออกซิเดชันใช่ไหมคะอย่างแอปเปิ้ลเนี่ยมันเปลี่ยนจากสีสีอ่ะสีเหลืองๆขาวๆกลาเยเป็นสีน้ําตาลอันนี้ก็คือปฏิกิริยาออกซิเดชันเช่นเดียวกันปฏิกิริยาเนี่ยก็เกิดขึ้นในร่างกายเราเวลาเราเผาผลาญหรือมีเมตาบอลิซึมนะคะ ฟรีเรดเดิลคหรือว่าอนุบุนอิสระเนี่ยมันเกิดได้หลายรูปแบบมาจากอะไรบ้างในชีวิตประจำวันเราเลยเราอาจจะเป็นเคขาเรียก second hand smoker ก็คือเราจะสูบบุหรี่เองหรือเราจะเป็นคนที่ไปดมคนอื่นสูบบุหรี่อันนี้เราก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็พวกรังสีต่างๆรังสี U V หรือว่ากระบวนการเผาผลาญในร่างกายเองแม้กระทั้งเวลาเราออกกาลังหรือเวลาเราทํางานบ้านหรือเวลาเรานั่งเรียนนั่ ง, งทําอะไรเหนื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีการเผาผลาเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา นะคะแล้วก็ <c oughs> ในเรื่องของอพวกเม็ดเลือดขาวนะคะมีการของทุกอย่างพวกนี้พอลูชันอะไรต่างๆเร่องอะไรมลภาวะมันก็จะทําลาย d ีเข้างในเซลล์เราอนุพันอิสระเกิดขึ้นได้ยังไงเราก็ต้องมาดูว่าไอเซล์นี้มันประกอบไปด้วยอะไรเซลล์มันประกอบไปด้วยโมเลกุลโมเลกุลเนี้ยมันก็จะมีมีอะตอมอะตอมอยู่ข้างในทีนี้อะตอมเนี้ยมันก็จะ มันก็จะเอ่อเขาเรียกอะไรมีอนุพันธ์ทางเคมีอ่ะมันเกาะกันได้มันอยู่ด้วยกันได้เนี่ยมันก็ต้องมีอิเล็กตรอนเป็นตัวเชื่อมอันนี้โดยปกติแล้วเนี่ยอิเล็กตรอนเนี่ยจำนวนอิเล็กตรอนมันก็จะเป็นจํานวนคู่ใช่ไหมคะถ้าอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนที่ในสภาว ะ, สะเสถียรหรือมั่นคงหรือร่างกายมีความสมดุลปกติเนี่ยจํานวนอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็จะครบคู่ แต่เมื่อไหร่ที่ภาวะของเซลล์ไม่เสถียรหรือเจออนุบุนิษฐะข้างนอกยกตัวอย่างเช่นเรากิน IN, าอาหารปิ้งย่างหรอกกำลังมากเกินไปเราเครียดเราเจอมลภาวะเราเจอทุกวันอยู่แล้วเราเลี้ยงไม่ได้อยู่แล้วมันเราก็จะเอาอนุบุนิษฐะเข้าไปในร่างกายดังนั้นเนี่ยพออนุบุนิษฐะเข้ามาปุ๊บไอจานวนอิเล็กตรอนที่มันเคยอยู่เป็นคู่มันก็จะถูกมันก็จะอยู่ไม่ครบคู่มันก็จะถูกแยงไปเคยยกตัวอย่า ง, เ, างเหมือนตอนที่ มันตอนที่เราอยู่ในบ้านบ้านหนึ่งใช่หมคะอันนี้ยกเป็นยกตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่เห็นเข้าใจเห็นภาพได้ง่ายมากก็คือเรามีคนอยู่ในบ้านด้วยกันทั้งหมดหนึ่งร้อยคนเป็นคู่สามีภรรยาห้าสิบคู่วันหนึ่งก็มีเมียน้อยเดินเข้ามาเ <c oughs> <c oughs> มียน้อยก็คือเดินมาแย่งสามีหนึ่งคนไปเพราะฉะนั้นภรรยาหนึ่งคนจะขาดสามีถูกไหมคะภรรยาที่ขาดสามีมันก็เดินไปแย่งสามีคนถัดไปอีกเพราะฉะนั้น แล้วปล่อยให้มีน้อยเข้ามาทุกวันแล้ววันละหลายๆายคนปล่อยมีน้อยเข้ามาทุกวันวันละหลายหลา ย, ลายคนวันละหลายหลายคนผู้หญิงก็จะขาดคู่ตรงนั้นแหละก็คือความไม่เสถียนก็คือเกิดอนุบุอิสระขึ้นมันก็จะเกิดกระบวนการแบบนี้ทั่วร่างกายนะคะในลักษณะแบบนี้มันก็จะไปดึงอ e ิเล็กตรอนจากที่เขาอยู่เป็นคู่ก็ดึงออกมา ซึ่งไอตัวแดงๆเนี่ยมันเกิดทั่วร่างกายแล้วก็ตลอดเวลานะคะ น, นี่เราปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ถ้าเราปล่อยให้มีตัวแบบเนี้ยเข้ามาเยอะๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นร่างกายเราร่างกายเราก็จะเสื่อมลงนะคะบางคนชอบบอกว่าโอ้ ย, ยังไงร่างกายก็ต้องเสื่อมอยู่แล้วแหละทำอะไรไม่ได้หรอกแต่ว่าจริงๆอ่ะเราป้องกันไม่ให้เสื่อมมากคือเซลล์ปกติของร่างกายเนี่ยจะจะเกิดขึ้นแล้วก็มีเซลล์ใหม่มาทดแทน การทดแทนที่สมบูรณ์จริงๆเนี่ยเราต้องกินอาหารให้ถูกต้องแล้วก็กินอาหารให้ครบนะคะการเสื่อมของเซลล์แบ่งออกเป็นสองอย่างนะคะก็คือเซล์ที่ตายไปแล้วหรือว่าสูญเสียหน้าที่ไปอย่างที่บอกเมื่ี้ก็คือมันก็จะกลายเป็นเสื่อมแล้วก็แก่ลงแต่มันจะมีเซลล์อีกประเภทหนึ่งที่ถูกทําลายด้วยอนุสญาะนะคะแล้วก็ถ้าเราซ่อมแซมให้มันกลับไปกลมเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นเซลล์ที่ฟื้นตัว แต่ถ้าเราไม่ซ่อมหรือกินอาหารผิดประเภทหรือกินอาหารประเภทที่ไม่มีศักยภาพในการซ่อมะเซลล์มันก็จะแวงงกุดกุดก็คือเสื่อมอย่างเงี้ยแล้วลักษณะของเซลล์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นใหม่จากการแบ่งตัวของเซลล์เดิมๆเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เกิดเซลล์แบบเนี้ยที่แพร่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลงลึกเรื่องเซลเล์มะเร็งทีหนึ่งนะคะเมื่อเกิดอนุพันะเนี่ยมันไปได้ทุกอวัยวะมันก็จะมีไปที่ตานะคะไปที่ตาก็จะเป็นแบบ ไม่ใช่เอออย่างต้ออะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วก็มีอย่างโรคหัวใจผิวเหี่ยวนะคะหรือว่าเป็นข้อถ้าข้อเนี่ยข้ออย่างชนิดรุนแรงนี่ก็จะเป็นพวกข้ อ, อเสื่อหรือมาตอยได้นะคะ mm hmm. หรือว่าเป็นโรคเอ่อถ้าเป็นถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องภูมิคุ้มกันมันก็จะเป็นหวัดเป็นอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมากๆเข้าเราอาจจะไปถึงเอสเอ็เอสเอเอได้ แล้วก็สมองเนี่ยก็ไปเป็นถึงพวกอัลไซเมอร์หรือพาร์กินสันได้เหมือนกนอันนี้อาการทางสมองนะะอาหารที่ช่วยเรื่องอนุมูลอิสระมีอะไรบ้างจริงๆเนี่ยเราเราควรจะกินผลไม้ผักผลไม้หลักสี่หลักประเภทเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยให้ให้สารต้านอนุมูลอิสระที่ประเภทแต่ละประเภทไม่เหมือนกันนะคะอันนี้จริงๆเราไปอ่านค้นคว้าเพิ่มเติมได้เราต้องการจะจะได้สารอาหารประเภทไหน ปัจจัยที่กระตุ้นการอักเสบมีอะไรบ้างก็ที่พูดไปแล้วอย่างเช่นบนลภาวะนะคะอาหารปิ้งย่างหรือความเครียดทํางานหนักจริงๆการอักเสบของกล้ามเนื้อก็เป็นประเภทหนึ่งของการอักเสบเกิดจากการที่เรานั่งผิดท่านั่งไม่ถูกท่านั่งไขว่ห้างนะคะไม่มีการยืดไม่มีการออกกำลังกายแล้วก็อารมณ์ความเครียดถ้าทําจิตใจให้จับใสมันก็จะไม่เกิดความเครียดนะคะ สอันดับสาเหตุที่คนตาคนไทยตายมากที่สุดอันนี้เมื่อปีห้าห้าอันดับหนึ่งมะเร็งมะเร็งแน่พี่พี่ของน้องที่ที่ออฟฟิศอายุสามสิบหกนะคะจบจบด็อกเตอร์เหมือนกันแล้วก็แบบคือมุ่งมั่นในการงานมากคือฉันต้องขึ้นสูงอะ่ะแล้วก็กินอาหารผิดประเภทไม่สนใจกินพวกผักผลไม้เท่าไหร่เสร็จแล้วก็สุดท้ายมาไฟเอาท์ที่หลังตัวเองเป็นมะเร็งปอด เป็นมะเร็งปอดแล้วเป็นระยะที่สี่ด้วยแล้วก็ไปไฟล์เอาว่าคุณพ่อเขาอ่ะก็เป็นมะเร็งปอดแต่สองคนเนี่ยมีดีเวล็อปเมนต์ต่างกันเพราะว่าลูกน่ะเป็นมะเร็งปอดแล้วเป็นแบบประเภทลามชา้าแต่พ่อเนี่ยคือลูกเดี๋ยวก่อนพูดผิดลูกอ่ะลามเร็วแต่ว่าพ่อเนี่ยลามชา้าจนกระทั่งพ่อเนี่ยไปเจอจนระยะสุดท้ายแล้วคือเข้าโรงพยาบาลเไปไม่กี่วันแล้วก็ตายเลยแต่ตัวลูกชายเนี่ยยังอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นระยะที่สี่ก็ยังไปทํางานอยู่แล้วก็ต้องไปคเโมด้วย คีโมครั้งหนึ่งนะคะที่โรงพยาบาลพระมกุฏเขาจ่ายค่าใช้จ่ายถึงแปดหมื่นเพราะว่าเป็นคีโมแบบที่ไม่ไม่รุนแรงไม่ไม่ทําให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเพลียมากมก็ต้องค่าใช้จ่ายเยอะนะคะแล้วก็ไม่ยอมปรับพฤติกรรมการกินยังคงยังคงบอกว่าสิ่งเดียวที่ให้อาบทายชันได้คือข้าวเหนียวโมบิ้ง <c oughs> <c oughs> ก, ก็กินอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ปรับอาหารอืมแต่ก็ยังไปคีโมอันนี้เราเราให้ฟังเฉย พูดถึงเรื่องโรคมะเร็งโรคมะเร็งเนี่ยมันเกี่ยวกับอนุมูลอิสระยังไงคือว่าปกติอันนี้เสริมเล่าเท่าให้ฟังนะคะก็คือเซลล์เนี่ยมันจะมีทั้งเซลล์ของคนเราเนี่ยจะมียีนมะเร็งอยู่แล้วกับยีนที่ต้านมะเร็งที mm hmm. นี้เนี่ยในสภาวะปกติเนี่ยสองประเภทเนี่ยมันต้องสมดุลกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดอนุมูลอิสระ mm hmm. เข้ามามากๆเนี่ยพอมันไม่สมดุลปั๊บเนี่ยยีนที่มันต้านมะเร็งเนี่ยมันเหมือนยีนที่เหมือนยีนที่ เป็นตัวที่เป็นยินมะเร็งเนี่ยมันจะเหมือนดีเวล็อเร็วมากขึ้นเราก็ทําให้ยินที่ต้านมะเร็งเนี่ยคือเสียความสมดุลไปคืออาจจะจํานวนน้อยลงเซล์มะเร็งเนี่ยสามารถดีเวล็อจนกระทั่งมากถึงขนาดหนึ่งพันล้านเซลลนั่นคืออันนี้ที่ไปค้นคว้ามาจากหนังสือเพิ่มนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงหนึ่งพันล้านเซลมะเร็งเนี่ยเราสามารถตรวจพบเพราะฉะนั้นคนเราอาจจะเป็นมะเร็งขั้นที่หนึ่งหรือขั้นที่สองเนี่ยอาจจะตรวจไม่พบก็ได้เรามักจะตรวจพบเวลามันขึ้นไปถึงระยะสามระยะสี่แล้ว อันนี้ก็เป็นสถิติอันนึงที่เอามาให้ดูเฉยๆว่ า, าโลกมะเร็งเนี่ยมันมันฆ่าชีวิตคนไทยมากมันรวดเร็วขนาดไหนในสมัยนี้นะคะแต่ว่าในผู้ชายกับในผู้หญิงก็จะเป็นมะเร็งคนประเภทกันผู้ชายอาจจะเป็นพวกมะเร็งต่อมลูกหมากผู้หญิงอาจจะเป็นมะเร็งเต้านมทะเยอะนะคะหรือตับมะเร็งตับมะเร็งปากมดลูก การรักษารคมะเร็งอย่างที่บอกไปเม ก, กี้ก็คืออย่างมันจะมีเค ม, ม, มีมีฉายแสงใช่ไหมคะซึ่งสมัยเนี้ยจริงๆแล้วมันมีวิธีการมากมายเยอะแยะแต่ว่าในชีวิตจิตนี้มันอาจจะเป็นวิธีการที่ยากกว่าเพราะว่าเราต้องซื้อผักผลไม้มาเยอะมากมาปั่นน้ํากินเลยเนะี่ยบางทีบางคนก็คิดว่าการใช้คีมโมบีอมมเอคมทีหรือเคมีบําบัดนี่มันจะง่ายกว่ามันก็จะมีสองประเภทคือฉีดเข้าเส้นกับแบบชนิดกิน อย่างที่อย่างที่บอกว่าไอ้ครั้งละแปดหมื่นี่คือเขาเขาไปฉีดนะคะซึ่งผลข้างเคียงของการทํำคีโมแน่นอนคือมันทําลายเซลล์ไม่ดีมันก็ต้องทําลายเซลล์ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าร่างกายเราไม่ทำให้สมบูรณ์สูงสุดไปตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะทําลายทั้งหมดในสุดท้ายแล้วถ้าเกิดร่างกายคุณอ่อนแอคุณจะรักษาด้วยคีโมเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะเสียชีวิตได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ยาที่เขาใช้รักษาเนี่ยก็จะเป็นเอ่อซิสพาติน ไม่รู้ชื่อทางวิทยาศาสตร์เยอะแยะไปหมดแล้วก็จะมีไซเออเฟกด้วยนะคะว่าคือยาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะอันตรายผลข้างเคียงของมันอันตรายมากกว่าโรคที่มันรักษาด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นยาทุกชนิดเนี่ยมันจะกดภูมิต้านทานเป็นไปได้เนี่ยเราควรจะเลี่ยงยาอะไรก็ตามที่เป็นเคมีนะคะอันนี้ก็จะมีอ้างอิงถ้าเกิดจะไปเสิร์ชดูก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดอยากได้เป็นความรู้นะคะ ก็อันนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายจริงๆเนี่ยมันมีตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนแล้วแต่ชนิดยานะคะห้าหมื่นหกหมื่นต่อครั้งไปจนถึงสองสามแสนบาทแล้วเราเก็บตังค์ได้ไหมสองสามแสนถ้าเราไม่เอาเงินที่มีอยู่อะจะเป็นเงินสมบัติที่มีอยู่แต่ถ้าหาเองเนี่ยเรอมคิดว่ารอมรักษาสิบครั้งเนี่ยครั้งละสองสามแสนนี่ก็ไม่ไหวแค่ตัดชิ้นเนื้อตรวจนี่ก็หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนแล้วนะคะแล้วมันยังต้องมีพวก ไปไปเอ็กซเรย์เพิ่มไปทํานู้นทานี่เพิ่มอีกมันก็จะมีค่าใช้จ่ายตามมาค่ะโรคเบาหวานโรคเบาหวานจริงๆโรคพวกนี้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันนะคะโรคเบาหวานมันก็จะต่อเนื่องกับโรคหัวใจจริงๆโรคเบาหวานยังมีต่อเนื่องไปเป็นโรคอื่นอีกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะโรคเบาหวานเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสถิติว่าทั่วโลกเดี๋ยวเนี้ยิ่งโดยเฉพาะในในเด็กเนี่ยเป็นเบาหวานกันเยอะมากขึ้น เพราะอาหารจริงๆประเทศไทยเรากินอาหารหวานนะคะอะไรนิดอะไรหน่อยก็คือใส่น้ําตาลถูกมคะคะอืมเปร้ยหวานเนี่ยมันก็คือมันก็คือตามชื่อโรกมันเลยก็คือว่าปสสาวะมีรสหวานเนื่องจากมีน้ําตาลเยอะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกลไกว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดเปรหวานได้นะคะอาหารที่ทําให้เกิดเปรี้ยวหวานเนี่ยก็จะเป็นน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวส่วนใหญ่ไม่ใช่โมเลกุลเชิงซ้อนถ้าโมเลกุลเชิงซ้อนก็จะเป็นพวก ข้าวที่ไม่ได้ขัดหรือขนมปังกะสีน้ําตาลอะไรพวกนี้อาหารที่มีไฟเบอร์เยอะๆจะเป็นแป้งแต่ถ้าเกิดโมเลกุลเชิงเดี่ยวหรือการกินผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆมากเกินไปก็ทําให้เกิดเบาหวานได้เช่นกันนะคะอาหารพวกกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเช่นแป้งข้าวขนมปังของหวานต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆ น, นะคะก็จะประกอบกับการขาดกําออกกลังด้วยก็ทําให้เกิดเป็นตัวกระตุน้นทําให้เกิดเบาหวานได้ ทีนี้นกลไกของมันก็คือว่าตอนนี้เป็นเวลาเรากินเข้าไปอาหารก็ผ่านลําไส้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเรากินอาหารที่มีน้ําตาลมันก็จะเพิ่มเข้ามันก็จะอยู่ในกระแสะเลือดเราอยู่แล้วทีนี้พอมาถึงตรงตับอ่อนเนี่ยตับอ่อนทําหน้าที่ผลิตอินซูลินในในใ น, นกลไกตามปกติแล้วเนี่ยเวลาตับอ่อนผลิตอิ น, อนซูลินเนี่ยมันก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเอา อินซูลินเนี้ยจะช่วยช่วยให้ตับแล้วก็เนื้อเยื่อเนี่ยเก็บกลูโคสเอาไว้อันนี้อันนี้เป็ น, นกลไกปกติถ้าในกรณีที่เรากินอาหารหวานเยอะเกินไปยกตัวอย่างเช่นคนที่กินน้ำอัดมทุกทุกวันแล้วกินในปริมาณมากเนี่ยน้ําตาลในกระแสเลือดก็จะเพิ่มเสร็จเพิ่มเนี่ยแน่นอนตับอ่อนมันก็ยิ่งหลังอินซูลินเพอหลังมากหลังมากจนผิดปกติเนี่ยการนําไปเก็บการนําไปเก็บในในเนื้อเยื่อต่างๆเนี้ยมันก็จะไม่ ไม่ไม่เป็นไปนตามปกติแล้วทําให้น้ําตาลเนี้ยยังเหลืออยู่ในกระแสเลือดเยอะมากอันนั้นก็คือทําทําให้เราเป็นเบาหวานคือมีน้ําตาลในกระแสเลือดสูงนะคะคนที่ตายคนอ้วนเนี่ยตายเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากอาหารที่มีไขมันมากเกินไปคนเป็นเบาหวานหลายคนก็ไม่ได้อ้วนนะคะแต่ว่าคนอ้วนเนี่ยเขาบอกว่าที่ตายเนี่ยเพราะว่าโรคเบาหวานเนี่ยเป็นห้าเท่าของคนที่ไม่อ้วน อาการของโรคเบาหวานเนี่ยเป็นแล้วเป็นเลยเป็นแล้วไม่หายเราก็ต้องใช้ยาควบคุมอะไรก่อนที่ไม่ได้เป็นรุนแรงแต่ถ้าเป็นรุนแรงแล้วมันทําให้เกิดแผลเนี่ยแล้วแผลรุนแรงมากๆเนี่ยก็ชีวิตเราจะดําเนินได้หรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่แผลเพียงแค่นี้นะคะเราเคยได้ยินคนที่ต้องตัดขาไปเลยแล้วก็เบาหวานขึ้นตานะคะเพราะมันไปตามกระแสะเลือดมันน้ําตาลอยู่ในเลือดแล้วมันก็ไปอักเสบตามหลอดเลือดต่างๆอันนี้เนี่ย ที่เอามาใส่ให้ตรงนี้เพราะว่าเขาบอกว่าจังฟู้ดหรือว่าอาหารขยะเนี่ยก็คืออาหารที่มีแป้งน้ำตาลสูงเนี่ยมันทำให้มันมันทาให้เกิดเอาใส่เมอร์ได้เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของอินซูลินนะคะคืออินซูลินเนี่ยมี ม, มีมีอีกหน้าที่หนึ่งที่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับทางเดินโลหิตทางเดินของกระแสะเลือดในสมองนะคะมันจะช่วยทำให้ หลอดเลือดเนี่ยดูด <Metroid> ซับทําให้สมองเนี่ยดูดซับน้ำตาลไปใช้คือสมองเนี่ยน้ําตาลเนี่ยเป็นอาหารของสมองอยู่แล้วนะคะตรงเนี้ยเป็นหน้าที่ของอินซูลินที่จะต้องช่วยเกี่ยวกับการทํางานของสมองตรงนี้ในกรณีที่ถ้าเกิดอินซูลินผิดปกติการทํางานของอินซูลินผิดปกติก็ทําให้การทํางานระหว่างอินซูลินในสมองเนี่ยผิดปกติได้เหมือนกันเขาก็บอกว่าเอเป็นตัวที่ทำให้เกิดอัลไซเมอร์ได้เช่นกันอันนี้จริงๆมีข้อมูลมาให้แต่ว่า ถ้าอยากได้เดี๋ยวเดี๋ยวไ ป, ปิมพให้เพิ่มพ่อเนี้เพิ่งหามาเมื่อกลางวันแล้วก็มีอีกซอสหนึ่งที่ที่เป็นวิดีโออะค่ะกันนั่นที่นาทีที่หกอะค่ะเด<ๆ>ี๋ยวนะคะอ ย, อย่าเพิ่งเปิดนะผู้หญิงคนนี้อะค่ะก่อนหน้าเนี้ยคือคือทํามาเป็นนาทีที่หกเปิดให้ดูจนถึงนาทีที่เก้ามันจะได้สั้นๆผู้หญิงคนเนี้มเป็นวิดีโอของญี่ปุ่น ผู้หญิงคนนี้ยกินอาหารหวานคือชอบกินขนมชอบกินของหวานแล้วก็กินแล้วก็คือไม่รู้ตัวด้วยเป็นเบาหวานจนกระทั่งคือเขาว่านี่มีอาชีพเป็นเหมือนในหน้าพาคนไปดูบ้านเสร็จแล้วเรื่องมันก็เล่ามามันเป็นในรายการของญี่ปุ่นเรื่องมันก็เล่ามาว่าไอ้ผู้หญิงคนเนี้ก็น่าประมาณห้าสิบหกสิบแล้วละ่ะกินอาหารหวานแบบกินกลางคืนก็กินขนมหวานอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนย น, นิสัยทีนี้เอ่อ ตอนที่เขาทํางานเนี่ยเขาต้องพาคนไปดูบ้านใช่ไหมฮะด้วยความที่ตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มจําอะไรไม่ได้พาไปดูบ้านซ้ําไอคนที่มันไปดูบ้านมันก็บอกว่าเออเนี่ยฉันเคยมาดูแล้วผู้หญิงคนนี้ก็แบบว่าฉันไม่เคยพามาดู mm hmm. แต่ก็เลยไปเปิดแฟ้มเฮ้ยจริ hey, งด้วยฉันเคยพามาดูมาดูบ้านนี้แล้วแต่แบบจําไม่ได้ลืมไปเลยแต่ก็เลยเนี่ยไปวีนกับสามีว่าคือพูดกันแล้วแล้วก็ลืมไปเรื่องที่พูดแล้วก็ไปทะเลาะกับสามีจนกระทั่งไอ้ สงสัยมันเป็นอะไรก็เลยไปตรวจหาหมอเนี่ยค่ะก็เลยเดี๋ยวจะฉายวิดีโอให้ดูว่าเบาหวานมันสัมพันธ์ยังไงกับกับอัลไซเมอร์ก็เป็นอันที่หามาให้ดูก็เพิ่งพ่งเป็นความรู้ใหม่สำหรัตัวเองเหมือนกันนะคะ แล้วก็วิธีการรักษาโรคเบาหวานมันก็จะมีหลายชนิดอย่างที่บอกไปแล้วนะคะอาจจะใช้ยาคุมเอาก็คือฉีดยานะคะแต่ว่าอีกก็อีกอะ่ะคือมันมีความเสี่ยงว่าใช้ยาอะไรนะคะก็จะมีข่าวตีพิมพ์ในปี2554ก็คือสองปีสองปีมาแล้วว่ามียาชนิดหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นสําหรับรักษาโรคเบาหวานชนิดสองนะคะคือผสมเนี่ยโรซิโรซิ กลูซิลิตาโซนทําให้เสี่ยงทําให้หัวใจล้มเหลวมันก็จะมีผลข้างเสียงกับอว่าอื่นในร่างกายเราเหมือนกันแล้วก็เวลาเราไปตรวจร่างกายสิ่งที่เขาจะตรวจก็มีเนี่ยดังต่อไปนี้รายการตรวจเราต้องไปตรวจบางอย่างก็ต้องตรวจไปละครั้งบางอย่างก็ต้องตรวจทุกสามเดือนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเบาหวานขึ้นตาตาจจะต้องรักษาด้วยการฉายแสงเลเซอร์ นะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการรักษ า, าโดยทั่วไปเนี่ยทางยาเนี่ยจริงๆอาจจะไม่เท่าไหร่คือถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐก็อาจจะสองสามพันบาทต่อเดือนหรืออาจจะขึ้นไปถึงหนึ่งหมืนถึงสองหมืนบาทต่อเดือนไม่รวมโรคแทรกซ้อน <c oughs> มาที่โรคหัวใจจริงๆเบาหวานกับหัวใจก็ค่อนข้างจะลิงกันเพราะว่าก า, ารน้ําตาลหรืออะไรพวกนี้มันทําให้หลอดเลือดเสบนะคะพอหลอดเลือดเสบขรุขระปุ๊บเลือด ก, ก็ดํา เก็เดินไม่สะดวกหลอดดาเนินไม่สะดวกเลือดก็จะเดินไม่สะดวกนะคะก็มีผลเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้หลอดเลือดคําว่าโรคหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจนะคะซึ่งซึ่งเป็นหลอดเลือดที่ที่อาจจะเป็นหลอดเลือดแดงใหญ่นะคะก็มันการที่เกิดหลอดเลือดออโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันก็คืออย่างที่บอกไปแล้วก็คือผนังของหลอดเลือดแดงเนี่ยเสื่อม นะคะก็คือไม่สามารถเอาเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ผนังหลอดเลือดมันก็จะหนาขึ้นแล้วก็แข็งแล้วก็ขรุขระเหมือนจริงๆเหมือนที่พี่ลินเคยยกตัวอย่างให้เราฟังเหมือนเวลาเราใส่ ย, ยางเราลดน้ําอ่ะถ้าใส่ ย, ยางเรียบเลื่นน้าก็ออกได้ดีใช่ไหมคะแต่ถ้าใส่ ย, ยางมีอะไรเกาะข้างในเนี่ยมันก็จะแบบติดๆขัดๆน้ําก็จะไม่ออกมาได้แล้วถ้าเกิดอันนั้นเป็นหัวใจเราอะแล้วมันหรือว่าน้ํามันมันไม่โฟล์วดีมันก็ แย่ yeah, แล้วนะเพราะว่าจริงๆหัวใจเราหยุดเตนไม่ได้เลยปัจจัยเสี่ยงนะคะมันมีมันมีจากประวัติของเหมือนกรรมพันธุ์อยู่แล้วประวัติของคนที่อยู่ในครอบครัวเราการสูบบุหรี่หรือว่าความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานเองหรือว่าใครมั น, นเลือดสูงเนี่ยพวกนี้เป็นเป็นบอกเกิดของโรคหัวใจใค่ะไขมันพูดพูดถึงหลอดเลือดก็ต้องพูดถึงไขมันไขมันมีทั้งหมดสามประเภท นะคะมีทั้งชนิดดีแล้วก็ชนิดที่ไม่ดีในคอเลสเตอรอลเนี่ยจะแบ่งเป็นสองประเภทคอเลสเตอรอลที่ชนิดดีเนี่ยเรียกว่า HDL แต่ถ้าชนิดที่ไม่ดีก็คือ LDL ก็ง่ายๆเลยชนิดที่ดีเนี่ยก็คือเป็นตัวทำความสะอาดผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดสะอาดนะคะเลือดสามารถไหลฟลูดได้แต่ถ้าเรากินอาหารที่มี LDL เยอะๆนะคะก็จะเป็นตัวทำให้คราบไขมันเนี่ยไปเกาะเกา ตามผนังหลอดเลือดทำให้ผนังหลอดเลือดขูุคระแล้วก็ไม่สามารถทำให้เลือด flow ได้ง่ายอีกอันหนึ่งก็คือไขมันไรซิสไลด์นะคะที่เป็นตัวทำให้ทาให้ไอช่วยทำให้ไขมันไม่ดีหรือไขมัน L D L เนี่ยมีขนาดเล็กลงแล้วก็แทรกซึมไปอยู่ตามผนังหลอดเลือดซึ่งสะสมเป็นคราบไขมันก็จะทำให้หลอดเลือดอักเสบมากขึ้น มีอีกชนิดหนึ่งเดี๋ยวถายวิดีโอให้ดูก็คือไขมันทรานไขมันทรานใช่ไมันเป็นไขมันที่เกิดจากการแปรรูปนะคะก็คือแปรรูปกดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยให้กลายเป็นไขมันอิ่มตัวที่สูงแล้วก็ไปเพิ่มเพิ่มไฮโดรเจนมันจะอยู่ในพวกขนมเคก้กอยู่ในพวก อ, อะไรอะเนยเทียมที่เขาใช้ทําขนมต่างๆไม่จำเป็นต้องเป็นขนมเคก้กเดี๋ยวนี้ก็จะมีนิยมอาหารประเภทซิโรเปอร์เซ็นทรานแฟต ไม่มีทรานสเฟตอย่างมาจารินเนี่ยทรานสเฟตเยอะนะคะก็กินเนยดีกว่าในเนยมันก็จะมีคอเลสเตอรอลแต่ว่าบางคนกลัวคอเลสเตอรอลมากก็เข้าใจผิดก็จะกินทรานสเฟตเอ้ยก็จะไปกินมาจรินซึ่งมันมีทรานสเฟตซึ่งเป็นอันตรายมากกว่าคอเลสเตอรอลด้วยซ้ำคราบแล้วเปลี่ยนเสลี่ยนพฤติกรรม อาหารก็อย่างที่เขาบอกจริงๆอ่ะอร่อยทั้งนั้นเลยนะอาหารพวกนี้นะคะก็ไม่ดีนะคะถ้าเกิดเลี่ยงได้ก็เลี่ยง <c oughs> <c oughs> ค่ะแล้วก็เอ่อจริงๆอันนี้เป็นทิปห้าอย่างจริงๆไม่ได้ยากเลยนะคะถ้าเราจะลดไขมันประเภทไม่ดีออกจากร่างกายทำอะไรบ้างเราจะมีการออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะมันจะช่วยการโปรของของ ของของเลือดในร่างกายนะคะแล้วก็ลดอาหารที่เป็นไขมันอิ่มตัวเช่นอะไรเช่นก็จากประเภทเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็จากพืชอย่างเช่นน้ำมันปาล์มพวกไอ้เนี่ยพวกนมลมละเหยที่ใส่ในชาเย็นกาแฟเย็นพวกนั้นนะคะแล้วก็กินไขมันชนิดดีเพิ่มไขมันชนิดดีเนี่ยก็อย่างเช่นมีอยู่ในออลิฟออยล์หรือในน้ำมันปลาพวกนี้นะคะมันก็จะเป็นตัวทําความสะอาดผนังหลอดเลือดแล้วก็ลดอาหารไขมันทรานซีอธิบายไปแล้วนะคะ เพิ่มอาหารชนิดไฟเบอร์นะคะทําไมต้องเพิ่มจริงๆเนี่ยไฟเบอร์ไฟเบอร์เนี่ยมันจะช่วยลดไขมัน L D L แล้วก็ช่วยลดไกลเกลือลายได้นะคะมันจะมีสองชนิดคือไม่ละลายน้ํากับละลายน้ําแบบไม่ละลายน้ําเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยกวาดเอ่อสิ่งต่างๆที่อยู่ในลําไส้เราแต่แบบละลายน้ำเนี่ยจะเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ประเภทชนิดดีซึ่งทําให้จุลินทรีย์ชนิดดีเนี่ยเติบโตในลําไส้เรามันก็จะช่วยแบบเพื่อกําจัด มันจะเป็นปุ่มคุ้มกันปุ่มต้านทานอย่างหนึ่งนะคะปุ่มต้านทานเราจริงๆมาจากตรงลำไส้นะคะแล้วก็ลดละเลิกแอลกอฮอล์วิธีการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะถ้าจะรักษาแบบบอลูนอันนี้เขาจะใส่เขาจะเหล็กเข้าไปนะคะแล้วก็ขยายมันออกแต่ว่าเราหลอดเลือดเราเนี่ยด้วยความที่มองไม่เห็นว่ามันติดตันตรงไหนบางทีหมอนี่จะต้องฉีดสีดูก่อนซึ่ง ฉีดสีเนี่ยก็จะมีค่าค่าฉีดสีดูว่ามันติดตรงไหนบ้างแล้วค่อยไปเอาหลอดเลือดใส่เข้าไปยัดยัดเข้าไปเพื่อจะขยายนะคะซึ่งจะมีค่าใช้ใจ่ายค่าสเตนท์เนี่ยก็คือเส้นลวดเนี่ยต่อจุดเนี่ยหกหมื่นถึงหนึ่งแสนก็บาทแล้วแต่ชนิดเส้นลวดถ้าติบมากกว่าหนึ่งจุดก็ต้องใส่หลายตัวนะคะรวมแล้วค่าใช้ใจ่ายก็ก็หลายแสนแต่ถ้าเกิดจะทำบายพาส มันถึงขนาดต้องตัดทางเดินเลือดใหม่เลยอันนี้ก็ค่าค่าใช้จ่ายรักษาเป็นเป็นล้านรู้สึกพ่อเพื่อนจะทาอันนี้โรมาตอยโอเคโรมาตอยก็เป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันแต่ต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะคือมันไม่ใช่จูจ่ๆไปเสื่อมที่ข้อโรคโรมาตอยเนี่ยก็คือว่าเาซลล์เนี่ยปกติเซล ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็จะมีเซลล์ที่อยู่ในระบบภูมิคุ้มกันเหมือนกันซึ่งเซลล์เนี่ยหลานมองนู้ดตัวเองซึ่งเซลล์เนี่ยมันจะเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันเนี้ยมันจะทําหน้าที่เหมือนกองทัพกองทัพเนี่ยก็จะเดินตรวจลาดเตือนไปเรือไปทั่วร่างกายไปทุกซอกทุกมุมพเพื่อจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เอกองทัพเนี่ยก็ต้องได้อาหารที่ครบถ้วนได้แก่โปรตีนอันนี้ไม่มีในสไลายนะคะ ได้แก่ปโปรตีนกรดอะมิโนกรดไขมันวิตามินและเกลือแร่ระบบภูมิคุ้มกันมันต้องได้อาหารเหมือนกันเหมือนกองทัพเดินด้วยท้องอะ่ะทีนี้ส อ, องในสามของกองทัพระบบภูมิคุ้มกันเนี่มันจะอยู่ทั้งด้านในและด้านนอกระบบย่อยอาหารนะคะแล้วก็อีกหนึ่งในสามนี่ยจะวนเวียนอยู่ตรงกระแสะเลือดกับ น, น้ำเหลืองอันนั้นเป็นเรื่องของระบบภูมิคุ้มกัน ทีนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยระบบภูมิคุมกันมันจะไม่เข้าไปในเซลล์เพื่อทําลายศัตรูแต่ถ้ามันเจออย่างสมมติถ้ามันเจอพวกเซลมะเร็งเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งปลกปอมมันก็จะมันก็จะทำลายเซลมะเร็งเลยคือมันจะกลืนเซลมะเร็งไปเลยแต่ถ้าอย่างในคนที่เกิดโรมาตอยเนี่ยมันเกิดผิดปกติของการทํางานของภูมิคุ้มกันคือมันเข้าไปโจมตีค่าศึกที่อยู่ในเซลล์นั่นคือวิธีการโจมตีก็คือระบบภูมิคุ้มกันบอกพ่อง ะะแล้วเวลาลมรมาตอยเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดทีเป็นสิบข้อมันไม่เหมือนโรคเกามันจะเกิดมันจะเกิดในข้อเล็กๆแล้วก็จะปวดปวดนี่คือแบบตื่นขึ้นมาเนี่ยพอขยับขยื่อนพักๆหนึ่งมันถึงจะแบบดีขึ้นนะคะไม่เหมือนเกาเกาเนี่ยยิ่งขยับคุณก็ยิ่งปวด เขานี่มาจากสัตตปีไม่เหมือนกันมันจะเป็นตามข้อใหญ่ๆแต่พวกนี้มันจะเป็นตามข้อเล็กๆในกรณีที่ไม่ได้เป็นรุนแรงเนี่ยคุณสามารถดำเนินชีวิตได้แต่ถ้าเป็นรุนแรงเนี่ยมันจะเป็นพิการได้นะคะจริงๆก็มีพี่ที่ออฟฟคนหนึ่งก็เป็นแบบนี้อายุห้าสิบสองแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ใช้วิธีรักษาก็คือชีวจิตอืตก็กินน้ําผักก็ดีขึ้นก็จริงๆจะพบในอายุคนที่ไม่ต้องเยอะนะคะสามสิบถึงห้าสิบนี้ก็เป็นกันเยอะแล้วแล้วก็ จะเกิดขึ้นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาระบบมคุ้มกันของเราให้ดีค่ะอาการก็จะมีอย่างที่บอกไปแล้วเดีย๋ยววันนี้ขอข้ามไปก่อนนะคะวิธีการรักษาก็จะมีตั้งแต่กายภาพบําบัดหรือว่าใช้ยาแล้วก็บางคนนี้อาจจะต้องใช้สเตียรอยด์ด้วยนะคะสเตียรอยนี้ก็มีผลกระทบข้างเคียงเยอะแยะมากมายแล้วก็ถ้าเกิดเป็นยาที่ไม่ใช่สเตียรอยเนี่ย มันก็ต้องเป็นยาที่ควบคุมระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สงบซึ่งมันมีความมีอันตรายสูงมากค่าใช้จ่ายก็แล้วแต่ว่ายาะระทานเป็นอะไรหลักร้อยหรือว่าพันถ้าเป็นยาฉีดเนี่ยก็ขึ้นเป็นหมื่นมีเพื่อนคนหนึ่งต้องฉีดยาตัวเองเพราะว่าเป็นเป็นโรมาตอยก็อายุแค่สี่สิบอะแล้วก็อาจจะเดินละหนึ่งถึงสี่เข็มอย่างมากก็คืออาทิตย์ละครั้ง อันนี้ที่พูดไปแล้วอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์นี่ที่ส ก, กี้พูดว่ามันเกี่ยวกับเบาหวานเนี่ยมันอาจจะมีมีผลข้างเคียงทำให้คนที่เป็นเบาหวานนี่มีความเสี่ยงต่อการเป็นอัลไซเมอร์แต่ว่าการเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยไม่ได้มาจากเบาหวานเสมอไปนะคะก็มาจากพฤติกรรมเรานั่นแหละหลักๆ ก, ก็คือเราไม่ได้กินข้าวเช้าเพราะว่าสมองเนี่ยมันเป็นอาการทางสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเช้าเนี่ย คุณตื่นขึ้นมาเนี่ยก็กินต้องกินอาหารให้ถูกประเภทนะคะไม่ใช่ไปกินเนื้อสัตว์หรือไม่ใช่ไปกินอาหารมันๆก็ควรจะกินอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลประเภทโมรลกุลเชิงซ้อนอย่างเช่นไฟเบอร์ซีเรียลอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อัตราการเป็นอัลไซเมอร์นี่สูงมากโดยเฉพาะในอเมริกานะคะอีกประมาณกี่ปีอีกประมาณยี่สามสิบปีเนี่ยอันนี้จะเกิดขึ้นเป็นสามเท่า นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยคือเขากําลังหาโวาร์เทียอาสาสมัครไปดูแลคนที่เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็ค่าใช้จ่ายในอเมริกาของคนที่ต้องดูแลรักษาผู้ที่เป็นอัลไซเมอร์สูงมากนะคะคือเขาจะต้องเดินทางไปรักษาคนที่เป็นอัลไซเมอร์เขาก็บอกว่าอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคถึงตายคือเป็นแล้วเป็นเลยแล้วก็ต้องเสียชีวิตเท่านั้นก็เป็นอันดับหกแล้วในอเมริกาในเป็นโรคที่ป๊อปูล่ามากขึ้นนะคะ คือรักษาไม่หายอะ่ะแล้วก็อัตราการตายเพิ่มขึ้นหกสแปดเปอร์เซ็นตนะคะโรคอื่นเนี้ยอัตราการเกิดขึ้นเนี่ยลดลงหมดเลยยกเว้นอัลไซเมอร์ที่ที่เป็นเพิ่มขึ้นแล้วก็หนึ่งในสามของผู้ที่คนที่เป็นคนแก่ตายด้วยโรคนี้ในเมกาจริงๆมันเป็นแคมเปญที่สนับสนุนอ่อ ที่จะหาคนไปดูแลคนที่เป็นอัลไซเมอร์เพราะว่าคนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยต้องการใช้การดูแลเนี่ย24ชั่วโมงเพราะฉะนั้น mm hmm. เราไม่สามารถมีชีวิตยอยู่ได้โดยที่ไม่มีใครดูแลอย่างโรคอื่นบางทีโรคหัวใจเรายังอยู่พออยู่คนเดียวได้เบาหวานอยู่คนเดียวได้ใช่ไหมคะอัลไซเมอร์ hmm. นี้ไม่มีทางคุณต้องคุณจำดำเนินชีวิตไม่ได้เลยค่ mm hmm. ะก็ระยะเริ่มแรกก็จาชื่อไม่ได้ จะไม่ได้ว่าเะ ก, กี้ทําอะไรไปไปดูบ้านมาแล้วก็จะไม่ได้ว่าไปดูบ้านแล้วตื่นขึ้นมาก็ตื่นขึ้นมานี่ก็จริงๆอันนี้อาเพื่อนเป็นแต่งชุดจะไปทํางานเป็นวันเสาร์กำลังต้องก็แต่งชุดไปทํางานอ่ะคือมันแบบถ้าไม่มีใครทักใครทวงนี่เขาก็ไม่รู้ตัวลืมปิดประตูลืมชื่อคนลืมรับประทานยานะคะ แล้วก็ระยะที่สองนี่ก็เสียวความจามากขึ้นเรื่อยๆจําเรื่องราวในอดีตเริ่มใช้คําคพูดไม่ถูกต้องอารมณ์ก็จะแปรปรวนด้วยเหมือนกันระยะที่สามนี่คืออันนี้คือคือเป็นหนักมากคือไม่รู้วันไม่รู้เดือนเลยเกิดภาพหลอนด้วยแต่เรายังไม่เคยเห็นคนที่เป็นขนาดนี้ะแต่ว่าคิดว่าที่ที่อเมริกาที่ฟังเขาสัมภาษณ์มีคือจําไม่ได้ว่าลูกตัวเองคนหนึ่งทําอะไรเป็นอะไรจบอะไรจําไม่ได้งั้นน่าเศร้ามากค่ะ แล้วก็วิธีการฉลอเนี่ก็คือรักษาถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐก็สี่พันบาทต่อครั้งอันนี้ไปถามมาจากน้องที่มีคุณอาเป็นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็คือระดับกลางนี่ก็สองสองหืนบาทแล้วก็ต้องกินยาเท่านั้นเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลสมองทําไงบ้างก็ต้องงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะแล้วก็ระวังเรื่องสารพิษต่างๆแล้วก็การเกิดอุบัติเหตุที่มันจะกระทบถึงสมองได้ เช็คสุภาพเป็นประจำแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดด้วยกินอาหารก็ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสมองต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันเพราะว่าจริงๆความเครียดมันก็เป็นมันก็เกิดอนุมูลอิสระอย่างหนึ่งนะคะแล้วกเ็เส้นเลือดในสมองหรือเส้นเลือดทั่วร่างกายจริงๆต้องการไขมันที่ดีอย่างเช่นโอเมก้า3นะคะแล้วก็แปะกล้วยแปะกล้วยนี่ก็ต้องมาจากมาจากใบนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆที่ใช้ความคิด ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราใช้เครื่องคิดเลขบ่อยๆเราไม่คิดเลขเราไม่เล่นไพ่เราไม่บวกเลขเนี่ยมันก็จะทําให้เป็นได้ทํำอะไรซ้ำๆซ้ําๆซ้ําเดิมเนี่ยก็จะมีอาการทางสมองได้เคยขับรถไปแล้วแบบจะไปสีลมเป็นประจําก็จะขับไปสีลมนก็เป็นๆ เ, เหมือนกันวันนี้ลืมไปว่าจะไปเพลินจิตเนี่ยก็จะขับขับไปสีลมออโต้เลยก็จะเลยทางด่วนจะหนีบ่อยเคยเป็นใช่ไหม ทำไมถึงต้องทานอาหารเสริมนะคะอันนี้เราก็เคยคุยกันมาหลายครั้งแล้วว่าเรากินอาหารประจําปกติประจำของเราเนี่ยคือการกินอิ่มก็ไม่เหมือนการกินครบการกินครบเนี่ยครบเพื่ออะไรครบเพื่อให้เซลล์ไม่ได้ครบเพื่อให้ความอิ่มเราเองนะคะแต่การกินครบให้เซลล์เนี่ยมันต้องได้ในระดับเซลล์ก็คืออย่างโปรตีนเนี่ยต้องได้กรดอะมิโนเก้าชนิดซึ่งถามว่าเรารู้ไหมว่าโปรตีนจากอะไรที่มันให้กรดอะมิโนครบเก้าชนิด แล้วเป็นโดสเท่าไหร่นี้เราไม่รู้นะคะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตก็อย่างที่บอกแล้วว่าต้องกินอะไรที่มีเส้นใหญ่อาหารมีไฟเบอร์นะคะไขมันก็ต้องต้องกินไขมันที่ดีด้วยก็คืออย่างเช่นโอเมก้า3วิตามินให้ครบ12ชนิดเกือแร่10ชนิดแล้วทำไมต้องเป็นดีทีไลท์ดีทีไลท์เนี่ยจริงๆประวัติมีมากมายอ่านได้จากในชีต นะคะแต่หลักๆ ก, ก็คือว่าเป็นบริษัทแรกที่ทําอาหารเสริมแล้วก็ทํามากว่า70ปีแล้วมีลิขสิทธิ์จดทะเบียนลิขสิทธิ์เหมือนเพเทชั่นจดเพลทชันลิขสิทธิ์ของของการผลิตซึ่งไม่ใช่ว่าใครจะจดก็จดได้นะคะแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์ของตัวเองมีฟาร์มของตัวเองมีนักวิทยาศาสตร์กว่าร้อยคนนะคะแล้วก็เป็นฟาร์มที่ใช้ฟาร์มชีวภาพไม่ได้ไม่ได้มีสารเคมี ก็มีการตรวจสอบคุณภาพมากมายแล้วก็ใช้ทีมงานระดับโลกนักวิจัยระดับระดับโลกในการทํางานในในการค้นควา้านะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์อันธันสมัยอย่างตัวอย่างเช่นโปรตีนอย่างนี้จากต่ก่อนที่เคยมีสมบุกสมของนมเดี๋ยวนี้ก็เป็นพืชล้วนนะคะก็จะมีฟาร์มอยู่หลายประเทศมากมอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าพี่ลินเคยอธิบายเหมือนกันว่าธรรมชาติเรียนแบบธรรมชาติเรียนแบบไม่ได้ ถ้าเกิดจะปลูกพืชที่มันจะต้องเหมาะกับเหมาะกับธาตุอากาศและเหมาะกับสภาพดินและธาตุของดินที่พืชชนิดนั้นควรจะได้อย่างเช่นที่เม็กซิโกมันก็ควรจะเกิดที่เม็กซิโกมันไม่ใช่มาเกิดในเมืองไทยถ้าเราเอาให้มันมาเกิดในเมืองไทยหรือทํา GMO อันนั้นก็คือไม่เรียกว่าเป็ น, เ ป, นเป็นพืชที่ที่เราควรจะกินอะ่ะมันก็จะมีผลกับ DNA ของเราเหมือนกันเพราะว่า DNA ของพืชมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะแล้วก็ใช้ออแกนิกฟาร์มที่บอกไปอย่างเช่นใช้แมลงไล่แมลงนะคะ ใช้ดอกไม้ไล่มแมลงใช้แกะใช้แกะไล่มแมลงด้วยใช้แกะแล้วแล้วก็วิธีการผลิตนะคะวิธีการผลิตดามปทับใจมากส่วนตัวก็คือผลิตเชอร์รี่ผลิตเชอร์รี่เนี่ย โ, โหขั้นตอนละเอียดมากคือเก็บเชอร์รี่ตั้งแต่ยังเขียวเพราะว่าวิตามินซีสูงมาก นะคะแล้วก็เนื่องจากวิตามินซีเนี่ยมันจะเสื่อมจากความร้อนเพราะฉะนั้นเขาเขาไม่ใช้ความร้อนในการผลิตผงแอซโตรลาเชอร์ดี้จะใช้ความเย็นที่ไนโตรเจนเหลวลบหนึ่งร้อยเก้าสิบสององศาอันนี้เป็นอาหารเสริมของนิวทริไลท์นะคะหลักๆเลยที่กินดอมกินทุกตัวยกเว้นเลสเตอรอลกินหมดเลยทั้งโปรตีนดับเบิลเอ็กซ์ถ้ามันปลาไฟเบอร์ แล้วก็ c o ควิวเทนไอเบลนกินเกะกระเทียมไลซิตินกระเทียมนี่เพิ่งมากินนะคะอ๋อไลซิตินยังไม่ทานแต่ซิตินยังไม่ได้ทานแล้วก็เลซิโนโปรตีนโปรตีนของดีเทลล่เนี่ยเป็นออพลาสโปรตีนนะคะประกอบไปด้วยส่วนประกอบ3าามอย่างหลักๆเพื่อให้ได้กรดอะมิโนโครบเก้าชนิดนะคะก็จะมีถั่วเหลืองแล้วก็มีถั่วพีหรือถั่วมเมล็ดเปียกแล้วก็ข้าวสาลี ส่วนส่วนวดับเบิลเอ็กซ์เนี่ยก็จะเป็นวิตามินรวมเกล้รวมอ่านได้เลยข้างกล่องนี้คือเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นโดเซจในขณะที่วิตามินยี่ห้ออื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีแคล์ตรงนี้อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้บอกสัดส่วนตรงนี้นะคะว่าเราได้จากพืชอะไรบ้างแล้วก็เป็นเป็นวิตามินที่ให้ค่าอัลเ็กสูงมากๆนะคะค่าอัลกก็คือเป็นตัวที่ต่อต้านอนุมูลอิสระนั่นแหละนะคะก็ได้มาจากพืชสารพัดชนิด พืชสกัดเคมีใน Double X ก็มีอะไรบ้างนะคะมีตั้งแต่แอเซอร์ลาเชอร์รี่ออริกาโนมีซิตรัสมีบลมีคนาพึ่งพวกเนี้ยก็จะเป็นพืชที่ให้พืชสกัดเคมีมาต้านอนุมตอิสระแล้วก็น้ำมันปลาน้ำมันปลาของนีทิไลท์ก็ให้ทั้ง EPA และ DHA DHA นี่สำหรับสมองนะคะแต่ว่า EPA เนี่ยสำหรับหลอดเลือดซึ่งเขาซึ่งตัวเนี้ยเขาจะเน้น EPA ก็คือมีอัตราส่วน 8 0สิบกรัมต่อหกสิบกรัมหรือสี่ต่อสามก็สกัดมาจากปลาแซลมอนนะคะซึ่งเป็นปลาน้ำลึกอยู่ทะเลแถบแอตแลนติกโดยที่ เ, เป็นปลาที่มีอายุสัน้นเพราะฉะนั้นมันจะโอกาสจะดูดสารพิษนั้นก็น้อยอันนี้อนมีอยู่ในสไลด์ก็ไฟเบอร์ก็ได้พูดไปแล้วของลิเทไลด์ก็จะมีทั้งสองประเภทคือแบบ ชนิดละลายน้ํากับไม่ละลายน้ําซึ่งตะกี้อธิบายไปแล้วว่าละลายน้ํากับไม่ละลายน้ำให้ประโยชน์อย่างไงบ้างนะคะก็ถ้าถ้าเกิดว่าเ อ, อคนที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายต้องการจะเพิ่มการขับถ่ายเนี่ยก็ใช้แบบทินแบบไม่ละลายน้ําเพราะมันได้กากใยแล้วก็กวาดทุกอย่างในลําไส้ออกไปถ้าเกิดเรากินไฟเบอร์ในปริมาณที่ไม่มากพอเนี่ยลําไส้จะไม่สามารถบีบตัวไม่สามารถไม่สามารถขับไอพวกกากใยในในลําไส้ออกมาได้เพราะฉะนั้นทําให้เอถ่ายยาก ะะแล้วก็แบบละลายน้ําก็เป็นที่อยู่ของให้กับจุลินทรีย์หรือพลโอติกคะในลำไส้ก็ช่วยสร้างภูมิต้านทั น, หนให้กับให้กับลำไส้ให้กับร่างกายทั่วร่างกายแล้วก็โคควิเทนโคควิเทนนี Q ้ก็ช่วยลดการส ะ, ะ, ส, ะสมของพวกคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์ทำให้เซลล์นี้ไม่ถูกทำลายตั้งแต่ใ น, ในชั้น DNA ออแล้วก็ กาหลีกเองเนี่ยการหลีกจริงๆมีมีผลมีคุณสมบัติเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องการกาการักษาการอักเสบเดี๋ยวนี้ก็มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษามะเร็งด้วยป้องกันมะเร็งแต่ว่าเขาก็จะผสมพวกมิ้นเข้าไปนะค ะ, ชะเชลเลมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้มีกลิ่นรุนแรงแล้วก็เลซิตินอีเลซิตินอีก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนอิมาลไฟเซอร์ที่ช่วยทําให้น้ํากับน้ำมันผสมกันได้ดีแล้วก็ทําให้เอ่าเหมือน อูในกระแสเลือดไม่ไปเกาะผนังเส้นเลือดอะคะ่ะทําให้ไขมันไม่เกาะในผนังเส้นเลือดเพื่อทำความสะอาดหลอดเลือดนะคะแล้วก็เลสเตอรอลเลสเตอรอลก็มีคุณสมบัติจากชาเขียวช่วยต้านอนุมูลอิสระได้เหมือนกันแล้วก็ลดความเข้มข้นของคอเลสเตอรอลในตับส่วนกินโกะก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือจะเป็นเรื่องจกกสมองซึ่งสกัดมาจากใบแปะก้วยนะคะไม่ใช่เม็ดแปะก้วยเรากินเม็ดแปะกล้วยอาจจะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่แล้วก็ในแง่ของตาตานี่ก็เป็นเรื่องต้อนะคะไม่ใช่สายตายาวนะคะ ตอนนี้สายตายาวกินบีบยร์บรีไม่ได้กินไอเป็นลทินไม่ได้แตนน่นีไมันจะช่วยเรื่องต่อในระยะยาวช่วยได้จริงๆค่ะแล้วก็ในกรณีที่ถ้าเราต้องการต้ า, รตานอุมูลศิละติสระสูงๆไอตัวนี้ช่วยได้ก็คือผักผลไม้รวมเข้มข้นค่ะทันจบแต่เพียงเท่านี้แล้วก็บุคคลท่านต่อมาที่จะขึ้นมาพูดนะคะเป็นอาจารย์ของเราเองเป็นคนที่จบไบโอเคมรีจดเฉพาะ แล้วก็มีความรู้ทางโฆษณาการมากมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจเนู่ที่ไร้นะคะก็เดี๋ยวขอเชิญพี่ลินค่ะคุณลิ น, ลพลนรพัชเธอร์ทองรุกุลค่ะโอ้เโหเก่งมากขอไฟหนะะ่อยค่ะจริงๆสวยกว่าในที่มืดแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีไฟสว่างก็ดีใช่ไหมคะอ่าใครที่คนข้างๆหลับก็ปุกขึ้นมานะคะ <laughs> แล้วก็เอาสวัสดีทุกคนค่ะเซฟประมือหน่อยโอ้ยโวยเต็มไปหมดเลยนะคะพี่นอมเก่งมากเลยอ่ะจำได้หมดได้ยังไงนะใช่ไหมคะแบบใช้สไลด์ไปพูดไปเนียนมากเลยนะคะแล้วก็ความเข้าใจสุดยอดมากไม่ไ่าเชื่อเนาะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยคือเป็นกับไม่เป็นได้กับไ ม, ไ, ไม่ได้ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะทำไม่เป็นฝึกได้นะคะทําไม่ได้คือติดที่ความคิด แล้ววันแสดงเนี่ยถ้าดอฟเขาสามารถทำได้นะในฐานะที่เป็นมาร์เก็ตติ้งคนหนึ่งนะคะเรียนจบทางวรารสารศาสตร์มาใช่ไหมคะก็ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับสุขภาพเลยนะะแต่วันหนึ่งนะคะพออายุมากพอเอ้ยอายุมากๆนะไม่เราบอกเวลาเราเขาเรียกไม่ไม่ใกล้ลงสมไม่หลังน้ำตาใช่ไหมค ะ, ะนะคะเองก็จริงๆแล้ว เป็นคนที้ไม่เคยดูแลสุขภาพเลยนะคะไม่เคยสนใจเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบยังไงก็ต้องตายอ่ะนึกออกไหมคะพระพุทธเจ้าบอกแล้วเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมเขาบอกว่าตายไม่กลัวกลอดกินอ่ะไหนป่ะเป็นคนชอบการกินมากนะคะมีมีใครแชร์ทัศนคติเดียวกันไหมคะใช่ใช่ไหมคะใช่นะคะข้างหลังนะเมื่อก่อนนี้กินก็ไม่กินผักเลยใช่ไหมคะอ่านะคะเขาเป็นคาริบอร์คือใส่หน้าว่า น ะ, ะส่วนวินก็ไม่กินอะไรเลยนอกจากแป้งก็มีเคชฉับถ้าเกิดเอนริชด้วยไลโคพินก็จะดีใช่ไหมคะแล้ววินเนี่ยสามารถกินเคชับได้กับทุกอย่างอืมโจ๊กด้วยนะคะใครเคยทานโจ๊กกับเค็ฉับไหมคะโอเป็นเป็นขบวนการที่แบบว่ามันกินเข้าไปได้ยังไงนะคะอันนี้ขอถอดขอขอถอยนิดนึงเฮ้ยเป็นคนที่เป็นคนที่ชอบกินอะไรที่มันคาร์บอนสูงสูงไม่ตั้งใจเนาะ อืมไม่ตั้งใจมันบังเอิญมันบังเอิญมาอยู่ในอยู่ในหมวดหมู่ที่เราชอบนะคะแบบมันกุ้งเผาอย่างเงี้ยนะคะไข่ปลาหมึกใช่ไหมคะปลาหมึกนะคะแล้วก็อะไรพวกอาหารทะเลทั้งหลายหอยนางรมโอ้หอยนางรมนี่ยิงกินได้แบบเป็นโหลเลยใช่ไหมคะแบบลูกอันใหญ่หญยิ่งแบบของญี่ปุ่นมันจะตัวอ้วนมากเลยนะคะอืม ก, กันก็ไปคําอยู่ในป้ายฮะคะอร่อยมากนะคะทีนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์นะคะพอตอนที่ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่า คือลินเป็นคนชอบไปทานร้านอาหารร้านอาหารหนึ่งชื่อมารุนะคะร้านนี้นะเขาจะนําเข้าหนาวะเขาจะนําเข้าผลิตภัณฑ์อาหารจากทั่วญี่ปุ่นนะคะมาที่นี่แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้ oy, ฉันทําเพื่อสุขภาพนะเขานะะําเข้าอาที่จะสองครั้งวันอังคารกับวันศุกร์ลิงก็จะไปทุกวันอังคารและวันศุกร์นะคะเป็นจองเพิ่มเนน้นเลยนะคะมีที่นั่งพิเศษส่วนตัวมีที่จอดรถส่วนตัวเขาไปบ่อยมากนะะแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยทานปลาสดอะ่ะ ทำให้สุขภาพดีมีโอเมก้าสามไปตรวจคอเลสเตอรอลสองรอยหกสิบ <laughs> สุดยอดมากนะคะเพราะว่าคือมันมันมีเคสของการกินเกินค่ะคือเขาจะบอกว่าคนส่วนใหญ่ในขาดสารอาหารใช่ไหยคะของเล่นในสารอาหารเกินแล้วหลายๆคนนะคะก็สารอาหารเกินเหมือนกันใช่ไหมคะดูได้จากรอบเอวนะคะต้นขาสะโพกนะคะเห็นได้ชัดเจนสําหรับผู้หญิงนะคะแต่ผู้ชายจะอยู่แถวพุงเนาะอืมฮะพุงกับ น, นม นะคะเอ้ยเนี่ยผู้หญิงไม่แฟนเลยใช่ไหมคะมันทำไมไม่ไปที่นมใช่ไหมบีเ oh. นอะเออมันไปเกินที่ไหนเนี่ยไปเกินที่ขาอย่างนี้เจ็บใจมากนะคะ oh. <c oughs> แล้วฉะนั้นเนี่ยเออแต่พุงนำนม <c oughs> เป็นสาวเกาหล <c oughs> ชีชื่อพุงนำนมนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เอาละนะคะ <c oughs> นี่คือมุกในร้านะในในคอสอาหารเสริมโอเคนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะศึกษากันเรื่องทำยังไงไม่ให้พุงมันนำนม เออนะคะฮะให้นมนำพุง <c oughs> <c oughs> นากก่ากลัวมากโอ้ยนานๆดตร์นนจะปล่อยมุกสัที <c oughs> ปล่อยทีนี่ถึงจะเงียบโอเคนะก็ด <c oughs> ี okay, นะคะสนุกสนานดีวันนี้เราก็ได้ได้ความรู้จากพี่ดอมเยอะเลยใช่ไหมคะโ <c oughs> อ้ยลินนะชอบวันนี้มากเพราะว่ารู้สึกว่าพี่ดอมเขาทุกครั้งเขาจะเพิ่มอะไรขึ้นมาเรื่อยๆนะคะลินว่าทุกอย่างมีการอัปเดต ตลกมากวันนี้นะคะลินก็ได้ไปได้ไปไปพบคนคนหนึ่งอ่าไปพบชายคนนึงนะคะซึ่งเป็นคนที่ลินรู้สึกว่าโอ้โหเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการสปอนเซอร์ดีกว่านะคะก็คือพวกเราทําธุรกิจแอรเมย์ก็รู้กันอยู่นะคะพราเป็นการสปอนเซอร์ที่มันมากคือเจอคู่ปรับแล้วเจอข้อตัวยังที่มันแบบสมจริงอะ่ะบางคนข้อตัวยังแบบ อ, อย่าพูดเลย้เกียดฟังนะเพะวฟังมาหลายรอบแล้วพวกของแพงคนทำเยอะแล้วอะไรพวกเนี้ขีเกียดฟัง ะะแต่ว่าคือข้อของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาเคยถูกชวนทําธุรกิจแบบเนี้ยหลายสิบรอบแล้วนะคะหลายสิบรอบแล้วลินเข้าใจเลยนะว่าทําไมเขาถึงถูกชวนหลายสิบรอบลินฟังเขาพูดแั่นลินยังบอกโอ้โหลินบอกเน่ยรู้ไหมถ้าเกิดฉันมีความสามารถในการขายแบบเธอเนี่ยนะโอ้โหป่านนี้ฉนันไปถึงไหนแล้วไม่รู้ว่าแล้วทําไมเธอถึงไม่ใช้เนื่ อ, อว่ากเขาบอกว่าเขาต้องการทําตามพาชันพาชันของเขาเขาไม่สามารถที่จะพาชเนตเกี่ยวกับโปรดักต์พวกนี้และธุรกิจนี้ได้ ซัน่นบอกว่าเพราะว่าอยู่ยังไม่รู้ว่ามันให้อะไร <Okay. S 1> เขาก็เลยเงียบเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็มาโต้กันเรื่องสุขภาพ mm hmm. โอ้โหตอนเนี้หมันมากเพราะว่าเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพคน mm hmm. นะคะเ ป, เป็นแบบเป็นเป็นแนวใหม่การยืดกล้ามเนื้อการอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วรวมถึงการโภษนาการมีแคมป์มีรีทรตมี retreat, มนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะแล้วก็เขาบอกว่าเขาได้ร mm ีเว r ร์ขั้นตอนการของเบาหวานได้หลายคนแล้ว mm hmm. หมายความว่า เบาหวานเนี่ยปกติเป็นแล้วไปเลยไม่สามารถหายได้นะคะก็มีอยู่ที่ว่าเราต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนการกินดูแลสุขภาพให้ดีออกกําลังกายบ้างใช่ไหมดูแลน้ําหนักแล้วก็พยายามไม่ทานยาหรือว่าถ้าเกิดเราอินซูลินดิเพนเดนต์ก็ต้องฉีดมันช่วยไม่ได้นะคะแต่โรคการเสื่อมพวกเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่บอ้เราคุยกันยาวมากเลยเรื่องนี้แล้วก็หม่นมากด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็พูดถึงเรื่องอาหารเสริมเขาบอกอถ้าอาหารเสริมไม่มีออยอเขาไม่แตะเด็ดขาดต้องมีออยอ นิวบอกอยู่ยังไว้ใจออยประเทศไทยกว่าเนี่ยเขาบอกว่าไว้ใจเพราะว่าอย่างน้อยสุดมีออยคือเขาก็เซฟไประดับหนึ่งใช่ไหมฟองอะไรก็ไปฟ้องออยเลยบอกเออดีเว้ยใช่เลยบอกใช่แล้วเธรู้ไหมว่านิวทริไลมีออยทุกตัวเขาบอกจริงเหรอบอกใช่ใช้เวลาประมาณสิบเจ็ดปีกว่าดับเบิลเอ็กซ์จะได้ขายในประเทศไทยทั้งๆงที่มีมาตั้งเจ็ดสิบกว่าปีแล้ว่มีมาเจสิกว่าปีออยประเทศไทยโบราณมากเนื่องจากว่าไม่เข้าใจเรื่องไฟโตนิวทรีนอ่ะไม่กว่าจะอนุมัติให้มันมีสามเม็ดได้เนี่ย นื่องมาคือมันมีทั้งปริมาณนะคะที่ต้องเหมาะสมกับการที่จัดจําหน่ายได้โดยโดยเคาน์เตอร์โดยที่ไม่ได้มีเอเภสัชกรแล้วก็จะต้องแบบว่ามีปริมาณสารอาหารที่เขารู้จักอะถ้าเรากินอะไรตามออยอ ร, รู้จักนี่คงจะเนืออ่องมาเราคงจะสุขภาพแข็งแรงกันช้ากวสมควรแต่โชคดีที่เขารู้จักเยอะขึ้นเลยว่าขึ้นนะคะก็ดีนะคะก็เขาก็คุยกันเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็พูดไปพูดมาแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่กินอาหารเสริมเนื่องมาอ้าว ตกลงเธอทำธุรกิจแบบนี้แต่เธอไม่กินอาหารเสริมเองเขาบอกเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาสุขภาพแข็งแรงดีเขาอายุ38แล้วเห็นหน้ากูนึกว่า50หน้ามันเหิวมากบอกว่เพราะตอนแรกเปิดฉากมาปุ๊บลินก็บอกว่าลินอายุเกิน40แล้วใช่ไหมเขาก็เขายังทำท่าเฉยๆอยู่นึไหมคะแต่พอลินได้ยินเขาบอกว่าเขายุ38ลินแบบ จริงเหอทําไมทําไมหน้าเหี่ยวขนาดนี้นะคะคือแบบทุกส่วนที่หน้ามีริ้วรอยได้สามารถมีได้ไม่รู้มันทํำยังไงนะคะสใส่ยว่าเอาหน้าไปแฉกหมอนตลอดทั้ง ค, คืนอ่ะก็เลยก็รู้สึกว่าเขาไม่ดูแลสุขภาพเลยเขาบอกว่าเขากินโปรตีนพอแล้วเขาทําทุกอย่างพอแล้วเขาบอกว่าแต่คนอื่นป่วยเพราะไม่เหมือนเขาเขามีการอดอาหารของเขารายวันเขาจะมีการกินเขาไม่เชื่อในเบรคฟาสต์ไม่เชื่อการกินอาหารเช้านึกแบบฮะหรอ มาถึงไม่เชื่อบอกว่ามันเป็นเทรนด์ที่อเมริกาสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนกินข้าวเพิ่มอีกมื้อหนึ่งนึอืมคิดได้นะ <laughs> สุดยอดมากสุดยอดจริงๆแล้วนีนะก็แบบโอเคชักเริ่มไม่หนกแล้นึินก็เลยบอกว่าเนี่ยเข้าใจใช่ไหมว่าปัจจุบันเขาบอกว่าเนี่ยสามสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะมีคนป่วยเยอะขึ้นมีคนสุขภาพมีเป็นโรคเป็นนู่นเป็นนี่เยอะแยะมากมายมากขึ้นเยอะเลยนั้นบอกถูกต้อง เขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์เลยบอกถูกต้องแล้วอยู่รู้ได้ไงว่าสิ่งที่อยู่กินอยู่และสิ่งที่อยู่ใช้อยู่เนี่ยมันสามารถทําให้คุณมีสุขภาพที่ดีได้ในเมื่อทุกวันนี้นะสิ่งที่เรามีรอบตัวมีอะไรบ้างน้ำมันดิสลดแลตเต็มไปหมดเลยไม่ต้องอะไรหรอกเอางี้นี่เบอกว่าตอนสามสิบปีที่แล้วเธอมีชีวิตอยู่อายุแปดขวบมีรถเยอะขนาดนี้ไหมใช่ปะตอนนี้นะคะเปิดโทรศัพท์มานี่มีคลื่นทุกคลื่นเลยได้หรอเป มีบลูทูธมีอะไรกือบสารพัดอิเล็กโทรแมก่ติคลื่นนึกออกไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะบอกว่าอุ้ยคลื่นพวกนี้ไม่อันตรายเนาะเห็นว่าแบบต้องไปถามคนที่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูงแล้วทําไมจะเป็นหมันอะจริงป่ะอืมมันแปลว่าอะไรอะ่ะมันแปลว่ามีความผิดปกติในในในเครื่องอากาศแต่ว่ามันไม่ได้มาเขกบาลเราเนี่ออรอวะคือคลื่นเนี้ยมันไม่ได้มามวยผลกระทบกับชีวิตเราอะ่ะไม่ได้ทำเราตายแห้งไม่ทํำเราหายใจไม่ออกไม่ไทํำเราปากแห้งนึกออกไหยคะ เอออย่างเงี้ยเราไม่กินของชูรสรู้สึกกินเสร็จแล้วหิวน้ามากเลยอุย้ยวันนี้โดนขึ้น wifi เยอะไปหน่อยนึกออกว่าปวดหัวมากเลยมีไหมคะไม่มีนึกออกไหมคือไอ้คลื่นพวกนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่รอบตัวเราความเครียดคนเราอ่ะเริ่มชินกับความเครียดเป็นเรื่องปกติไหมคะต้องเครียดทำงานต้องเครียดไหม <Yeah. S 1> เขาบอกว่าการความเครีย ด, ดเปรียบเสมือนเลยว่าถือแก้วน้ําใบหนึ่งที่ใส่น้ํานะหนักไม้มแก้วน้ํา หนักบ้านแกนสิไม่ใช่ถือโอค์นะให้ถือแก้วน้ำไม่ใช่ถือโองเพราะแต่ว่าแก้วน้ำมันไม่หนักเว้ยโอเคถือขวดใบหนึ่งเปล่าเปล่านะี้ยื่นแขวมาหนักไหมคะไม่ยันหนักถ้ายืนอย่างงี้24ชั่วโมงเป็นไงคะทำไมตายอะ่ะมีคนป้อนข้าว ไม่ได้จะบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความสะสมของมันน่ะการสะสมของความเครียดขึ้นมาเรื่อยๆเร่อยๆรืยๆมันไม่ได้แบบเกิดขึ้นปุ๊บแล้วก็หายไปใช่ไหมคะความเครียดมันจะอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะสั่งสมความเครียดหนึ่งอันหายไปมีความเครียดหนึ่งอันเข้ามาใช่ไหมคะมีความเครียดซ้ำซ้อนอยู่เรื่อยๆนะคะมันก็สะสมแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็บอกว่าภาวะของร่างกายที่เกิดความเครียดจะเกิดเรื่องอนุมูลอสระเป๊ะตัวไปหมดเลยนึกออกไหมคะเหมือนกับการกิน การกินการออกกําลังกายมากอะไรเอางี้ดีกว่าจะจะบอกว่าอะไรที่ไม่บาลานซ์อะไรที่ไม่ Balance, ไ, ไ, มไม่ถูกสภาวะปกติคนเราควรจะออกกําลังกายบ้างเขาบอกกันแล้วว่าวันเว้นวันประมาณสามสิบนาทีใช่ไหมคะคือโดยเฉลี่ยถ้าเราเกลี่ยออกมาได้แต่ถ้าเกเราออกกําลังกายแบบนึกเอาไว้สมัยแบบเด็กๆหรือก็ตีเทนนิสทีวันละสามชั่วโมงจนถึงสุขใช่ปะเออตีที่ไฮสคูลอย่างเงี้ยก็ตีตีตี ต, ต, ตวิ่งกันทั้งวันเลยเนึกเอาว่าสนุกมากตัวดําปื้อ ได้ป่ะสนุกนะคะแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยคือเราในความสามารถในการกําจัดเรื่องราวพวกนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออากาศที่เราอยู่ก็สะอาดกว่านี้ใช่ไหมคะอาหารที่เราทานก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์กว่านี้ไม่ได้มีฮอร์โมนฮอร์โมนเยอะแยะอย่างที่เราไปเขาที่แล้วไอ้ฟู้ดอิงเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วแบบคือถ้าไม่ใช่ไม่ใช่เอาสิ่งที่ตัดต่อทางบรรทุกรรมนะคะก็คือพวกพืชทั้งหลายใช่ไหมข้าวโพดถั่วเหลืองใช่ไหมคะ เอาพวกนี้มาตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วยังเอ า, ย, เอายังเอาพืชตัดต่อทางพันธุกรรมไปเลี้ยงสัตว์ตัดต่อทางพันธุกรรมอีกใช่ไหมคะสรุปแล้วเราก็เปรียบเสมือนสิ่งที่ถูกตัดต่อทางพันธุกรรมเพราะสิ่งที่เรากินเข้าไปมันก็เป็นอย่างเนี้ยไอออกซิเดชันที่พี่นองพูดถึงไอฟรีแรคิคกอรก็คืออนุมูลอิสระเนี่ยเยวลาเราเกิดอนุมูลอิสระในร่างกายเรามันเกิดขึ้นปกติอยู่แล้วอย่าคิดว่าแบบอู้สมัยนี้เรามีอนุมูลอิสระเมื่อก่อนไม่มีมีค่ะการเผาผลาญอาหารนะคะการหายใจ การออกกาลังกายนะคะแม้กระทั่งการขยับเคยื่นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในการเผาอะไรสักอย่างหรือการใช้พลังงานสักอย่างมันจะต้องมีมีเศษของเหลือไอของเหลือตัวเนี้ยแหละมันก็คือเป็นสิ่งที่มาทําให้เกิดความผิดเพี้ยนในร่างกายนี่นเอางี้แต่ปกติแล้วเนี่ยคือร่างกายเราจะกําจัดได้ทันท่วงทีอ่ามันก็จะมีอย่างเช่นมีอ่ะตัวด่านแรกก็คืออย่างวิตามินอ e ีอย่างเงี้ยนะคะวิตามินอ e ีเนี่ยถ้าเป็นวิตามินอ e ีธรรมชาติจะดีมากเลยมันจะมีสองฟอร์มอย่าไปรู้เลย น ะ, ะรู้แค่ง่ายๆว่าวิตามินอ e ีเนี่ยมันเก็บสะสมอยู่ในไขมันเราใช่ไหมคะพอเวลามันต้องใช้มันก็จะคลายออกมาเรื่อยๆเรื่อๆเรื่อยๆแต่การกินเกินก็ไม่ถือว่าดีแต่ว่ามันมีสามารถมันจะสามารถช่วยกําจัดอนุมูลอิสระได้พอมันกําจัดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็คือคนที่ถูกแย่งใช่ไหมคะคนที่ถูกแย่งแฟนไปใช่ไหมคะพอแฟนถูกแย่งไปเสร็จแล้วทําไงคะวิตามินซีจะมาช่วยมาปลอบใจโอ้่หให้กอดทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ไม่ <laughs> ใช่ก็คือให้อิเล็กตรอนเป็นหนึ่งตัวนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ย C ก็จะถูกสเตเบลไลซ์โดยเอนไซม์ตัวอื่นใช่ไหมคะมันก็จะเป็นขบวนการเนี่ยเป็นการแลก อ, อิเล็กตรอนกันแต่ว่ามันจะมีเหมือนกับฉันให้เฉพาะเธอเท่านั้นอะเพราะว่าฉันชอบเธออะนึกออกป่ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราก็จะมีการมีอิเล็กตรอนดอเนอร์มันเป็ น, เ ป, นเป็นเชน แต่ว่า c กับอีจะช่วยเบรกเชนไม่ให้มันเกิดการแบบแย่งแย่งแยยแยงต่อเนื่องแล้วเกิด เ, เกิดความปั่นป่วนของเซลล์อ่ะพอเกิดความปั่นป่วนของเซลล์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออเซลล์เนี่ยมันจะไปถูกทํำลายเซลล์ Cell ถูกทำลายไม่พอมันเข้าไปในนิวเคลียสใช่ไหมคะเข้าไปในหั ว, หวใจของเซลล์เลยเนี่ยในสมองของเซลล์เสร็จแล้วก็ไปทำลายดีเของเราพอทำลาย d ีเปุ๊บเซลล์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายเราเนี่ยมันก็จะเริ่มเพี้ยนเพราะว่า d ีเมันเพี้ยน นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของปัญหาโรคเสื่อมแทบจะทุกชนิดเลยนึกออกไหมคะนี่คือเหตุผลคือมันเราไม่ได้บอกว่าอุ้ยอนุโิทนาไม่ดีแต่เราจะบอกว่าอนุโิทนามันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันเกิดเยอะขึ้นพอมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆนึกออกไหมเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพเนี่ยไลฟ์สไตล์มันเป็นเรื่องที่เราต้องทําสม่ําเสมอคือจะบอกว่าการเริ่มทานอาหารเสริมนะคะทานเสร็จหยุดทานเสร็จหยุดมันไม่ใช่ยา การที่เรากินยาเนี่ยนะคะก็คือเรากินเพื่อรักษาโรคใช่ไหมคะกินระยะนานๆไม่ดีเนาะกินยาปฏิชีวนะตลอดชีวิตเลยดีไหมคะไม่ดีไม่เหลือแบคทีเรียดีสักตัวเลยใช่ไหมคะมันตายเปนตายกันเกลี้ยงเลยนะคะแล้วเราก็จะย่อยอาหารไม่ได้ท้องอืดท้องเฟอ้อใช่ไหมคะอืมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องดูแลสุขภาพเราสม่ำเสมอการดูแลสุขภาพเป็นเป็นเป็นโครงการระยะยาวเป็นโครงการระยะยาวนั่นหมายถึงดูแลเหมือนเหมือนที่ลินพูดคราวที่แล้วว่าเหมือนแสงเกงในอ่ะ ก็ตั้งแต่วันแรกที่ใส่เกงในจนบัด น, นี้ก็ยังใส่เกงในอยู่เลยใช่ไหมชัดเงียบโอเคไม่เงียบก็ได้นะคะ <laughs> ก็คือโครงการของการดูแลสุขภาพตัวเองระยะยาวไม่มีประโยชน์ที่เราจะดูแลตัวเองระยะสั้นแต่การดูแลเนี่ยมันจะมีคอสเนี่ยหรอไหมคะอ่ะมีคอสเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือทํำไมเราถึงมาเรียนเรามาเรียนเพื่อเราจะได้ดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสม อย่างพี่เดชาเนี่ยก็คือเคยเข้ามาตรวจแล้วคุณหมอบอกว่าถ้าสมมติว่าไม่ดูแลระดับคอเลสเตอรอลจะต้องกินยาแล้วใช่ไหมคะมอ่านะคะก็บอกว่าให้เวลาหนึ่งเดือนอตัดสินใจหนึ่งเดือนนะคะก็ไปถอยชุดกอล์ฟมานะคะก็คือเป็นชุดที่เรื่องของการลดคอเลสเตอรอลจริงๆแล้วคอเลสเตอรอลเนี่ยมันก็คือเมื่อกี้นี้เอจริงๆ ม, มีวิดีโออีกตัวหนึ่ง ใช่คือวิดีโอหกฮีโร่นะคะในไหนเดี๋ยวเราดูว่าหกฮีโร่ที่ช่วยชีวิตพี่เดชาเป็นไงดีไหมคะ<ด>อ่าเชนค่ะทหไหมขอบคุณนั่นค่ะมาแล้วโอเคค่ะ ก็เป็นการ์ตูนท kind of oh? oh. ี่บริษัทออมเวย์นะคะได้สร uh ้างขึ้นเพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าการดูแลสุขภาพของหลอดเลือดหัวใจนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะผู้ดูแลหัวใจคุณรักนะจุ๊บจุบน่ารักมากเลยใครอยากเป็นฮีโร่ตัวไหนบ้างคะเขาเป็นคิวเทนน่ารักดี โอเคนะคะกะ็เราก็พอ เ, เข้าใจกันแล้วนะคะเรื่องนี้ก็เป็นโรคเรื่องเรื่องของโลกเสื่อมเหมือนกันนะคะเราก็จะเห็นค่อนข้างชัดเจนว่าแต่ละตัวมีบทบาทยังไงนะคะการทานสารอาหารเนี่ยก็คือเรื่องของการบาลานซ์การทานทุกอย่างให้ครบถ้วนใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าเราทานหรือเราไม่ทานหรือเราขาดอะไรหรือสิ่งไหนที่หาไม่ได้ ในอาหารที่เราทานอยู่นะคะก็ปรากฏว่าผลของหกฮีโร่ขอพี่เดชาก็ทําให้พี่เดชาปลอดยาลดคอเลสเตอรอลมาจนถึงบัตรนี้นะคะอ่านะคุณพ่อเรนก็ทานทันอยู่นะคะทานหมายถึงทานยาลดคอเลสเตอรอลน ะ, ะยังไม่เชื่อนะคะก็ต้องคุยกันแกมบังคับเลยทีเดียวนะคะเขาก็จะโอ้ oh, ไม่เอาเอ็มกับอ็มเว่ยไม่เอาไหมคะมึงแกอ็มเว่ยตลอดเวลานะคะก็ต้องพยายามกันต่อไปมิชั่นของเรนที่ประสบความสําเร็จได้อย่างยิ่งยวดก็คือคุณแม่นะคะเกิด ความสำเร็จที่เอเราสามารถที่จะช่วยให้เขายอมทานอาหารเสริมได้นะคุณแม่เนิ่ก็ตอนนี้ทีแรกโปรโตีนนะตอนที่ไปตอนนั้นคุณพ่อคุณพ่อเลี้ยงเสียใช่ไหมคะก็ไปชงโปรโตีนให้คุณแม่ทานชงเสร็จตักสามช้อนคุณแม่ก็ผสมกับน้ําส้มเสร็จแล้วคุณแม่ก็ติ่มอีกครึ่งหนึ่งวันรุ่งขึ้นก็เลยใส่อีกสองช้อนเติมน้ำเข้าไปที่เอาไว้คือเอาจนกว่าจะกินหมดอ่ะแม่พูดทำไมมันข้นขึ้นเรื่อยๆเรี่อย บอกว่มองคิดไปเองมองกินเถอะนะคะมัก็กินนะคะทานไปเรื่อยๆคือเขาก็เริ่มพบว่าสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เริ่มเดี๋ยวนี้ก็คือสั่งทานเองเลยแคลเซียมแคลเซียมแต่ก่อนนี้เป็นกระดูกพรุนนะคะคุณหมอบอกว่าคือหกลมไม่ได้เลยแล้วเราก็รู้ใช่ไหมคะคนที่หกลมนี่กระดูกพรุนนี่ก็คือเกิดขึ้นจากการที่เราทานอาหารเกินใช่ไหมคะการปโปรตีนเกินหรือว่าทานน้ําหรือทานอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เลือดเราเป็นกรด พอเลือดเราเป็นกรดมากขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือทําให้เราเนี่ยต้องเอาแคลเซียมในร่างกายเราออกไปใช้เพื่อเพื่อไปทําให้มันเป็นกลางร่างกายเราจริงๆแล้วสภาวะร่างกายเราเป็นด่างมากกว่าแต่ว่าการที่เราทานอาหารเข้าไปแล้วเกิดการเมตาบอลิซ์เนี่ยก็คือจริงๆแล้วโปรตีน ม, มีผลเสียตรงนี้แหละก็คือทําให้ความเป็นกรดในเลือดสูงเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราต้องมีแร่ธาตุอะไรให้สมดุลคือมีความสําคัญมากเห็นไหมคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีมันมีผลกระทบมี มีความเกี่ยวเนื่องกันทุกอย่างเลยคือสารอาหารทุกอย่างในการกินเนี่ยมันต้องกินผักกินผลไม้กินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเห็นว่าแบบมันจะมีเขาเรียกอะไรสามเหลี่ยมกันสารอาหารนะ่ะที่สิ่งที่เราควรจะทานน้อยก็คือไขมันถูกไหมคะแต่ไม่ทานเลยไม่ได้ไม่ทานเลยไม่ได้เพราะว่าวิตามิน A C E ที่เป็นตัวหลักในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระใช่ไหมคะ A กับ E นะคะคือ A D E K แี่ยทั้งสี่สี่ตัวเนี้ย 4, 4คือเป็นวิตามินละลายในน้ํามัน ถ้าเราไม่มีน้ํามันในร่างกายมันก็จะไม่มีตัวที่ transport วิตามินเหล่านี้ไปเพราะว่ามันไม่สามารถไปเองในทางน้ําได้นึกออกไคะต้องไปในต้องไปในการไปกับ น, น้ํามันเพราะมันจะละลายในน้ำมันนี่คือสิ่งที่รา่างกายเราเนี่ยจะมี2 ส, สิ่งนี้ผสมกันอยู่เพราะเราจะปราศจากน้ำมันเลยทีเดียวไม่ได้เราจะปราศจากคาร์โบไฮเดรตเลยไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าเราไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลยคือในช่วงดิเอตในการเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะคุยกันถึงเรื่องการลดของอ้วน เรากาจะคุยกันว่าเอ้ยเราควรจะกินอะไรให้สมดุลยังไงแล้วทํายังไงให้น้าหนักลดตามธรรมชาติคือไม่ทําไม่ใช่ธรรมชาติหรอกแล้วแต่ประเด็นว่าเราลดแล้วเนี่ยคือเราไม่ทําให้ตัวเราเองโทมไม่ทําให้ตัวเราเองแบบว่าขาดสารอาหารเหนืห่อยไหมคะคนส่วนใหญ่ใช้วิธีการอดอาหารซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายมากอะเดี๋ยวจะเข้าลดความอ้วนซะก่อนนะคะกลับมาก่อน <laughs> นะคะก็คือเรื่องของการที่เราทานสารอาหารเ อ, อ เกินไปนะคะเยอะเกินไปในบางอย่างแล้วเราไม่ได้ทานอะไรไปออ f เ e t ควา ม, ส, มสร้างความสมดุลในร่างกายของเราให้กลับมาอยู่ในสภาวะกรดเหมือนเหมือนเดิมยกตัวอ ย, อย่างเช่นแคลเซียมเนี่ยนะคะหนึ่งเปอร์เซ็นตของแคลเซียมที่เราหปอร์เซของแคลเซียมในร่างกายเราเนี่ยจะอยู่ในเลือดเก้าสิบเกเปอร์เซนะคะจะอยู่ในกระดูกแต่ว่าร้อยเปอร์เซนของทุกคนไม่เท่ากันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องต้องสิ่งที่ทา ม, มาก็คือต้องดูก่อนว่านิสัยการกินของเรากินเป็นยังไงบ้าง ใช่ไหมคะอย่างน้องกันเนี่ยก็คือไปก่อนนี้เป็นคนที่ชอบทานน้ำน้ำมันลมใช่ไหมคะไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากน้ำมันลมหรือพิซซ่าหรือทั้งสองอย่างหรือว่าซ่อมมะเขือเทศอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าก็คือถ้าเหวี่ยงแขนไปกระแทกอะไรสักอย่างก็คือข้อมือแตกนะคะัคือสภาวากระดูกเปล่ามากเลยนะคะเพราะว่าคือมวลกระดูกน้อยมวลกระดูกต่ําจริ ง, ร ง, รงๆลินเองก็เป็นคนนั้นคนค น, คนหนึ่งคนที่เป็นแบบนั้นนะคะก็ในตอนที่ประมาณสัก เข้ามาในชุวกิจได้ประมาณสักสองสมปีก็ไปตรวจมวลกระดูกตรวจมวลกระดูกออกมาติดลบสองคือสภาวะกระดูกเหมือนคนอายุแบบห้สิบะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะอ่าแบบไอยาเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะก็โอ้โหไม่เคยกินแคลเซียมเลยเขาเยียเป็นคนชอบกินเนื้อสัตว์ชอบกินโปรตีนแบบพวกกุ้งหอยปูปลายอย่างงี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีโปรตีนสูงมากชอบกินเสร็จแล้วร่างกายเราเผาผลาญเสร็จแล้วไม่มีแคลเซียมไปออมเสร็จความเป็นกรดในเลือดอะ ถูกป่ะมันก็ต้องดึงแคลเซียมออกจากกระดูกมาคือร่างกายเราไม่ได้ขาดอะไรหรอกค่ะมันต้องใช้ทุกวันเท่านั้นเองถึงบอกไหมคะคือแบบร่างกายเราถ้าเกิดต้องการอะไรอย่างคราวที่เราที่เล่อธิบายเรื่องโปรโตีนกับเลโก้ใช่ป่ะเออก็คือเราอธิบายโปรโตีนกับเลโก้เราก็จะเข้าใจว่าอ๋อล่างกายเรามันมีไอสิ่งที่เราต้องการจะสร้างสิ่งที่มันจะซ่อมเนี่ยเพียงแต่ว่ามันก็ไปดึงจากส่วนที่ไม่สําคัญหรือส่วนที่เป็นสต็อกอะใช่ป่ะคะแต่สต็อกอันเนี้ยบังเอิญมันเป็นโครงสร้างของร่างกายเราอ่ะ ถ้าเราดันไปดึงสต๊อกของโครงสร้างร่างกายเราแล้วมันทําให้เรากระดูกหักเนี่ยเขาบอกว่าคนอายุสูงอายุนะคะถ้ากระดูกหักที่สะโพกนะส่วนใหญ่นะก็ประมาณสามปีหลังจากที่กระดูกหักก็จะเสียชีวิตเนื่องจากว่าเกิดการไม่อักทีบใช่ไหมคือพอเวลาเขาเจ็บเขากระดูกหกักเขาก็จะไม่ขยับเนะะี่ยค่ะพอเขาไม่ขยับแล้วเนี่ยคือการหมุนเวียนของร่างกายน้ำหลงน้งําเหลืองก็ไม่โฟล์ใช่ไหมคะกล้ามเนื้อก็ไม่ทํางานใช่ไหมคะการเผาผลาญก็ลดลงเนี่ยก็คือ รอไปเรื่อยๆแล้วก็ในที่สุดก็เสียชีวิตแค่กระดูกหักเรื่องง่ายๆที่รักษาและแก้ไขได้ง่ายๆใช่ปะก็คือแค่กินแคลเซียมให้ดีเท่านั้นเองอะปรากฏว่านะคะเราก็จะก็เป็นคนที่แคลต่ํามากนะคะคือคือมวลกระดูกต่ํามากแล้วก็หลังจากนั้นก็ทานแคลเซียมทุกวันวั น, วนละ4เม็ดกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสาสี่ปีให้หลังนะคะไปตรวจก็ไลาเป็นบวกหนึ่งแล้วก็อีกปีหนึ่งหลังจากนั้นไปตรวจเป็นเพื่อนไขก็ไม่รู้ ก็เขาตรวจแล้วก็เลยตรวจบ้างเป็นบวกสองภายในหนึ่งปีหลังจากที่กินครั้งนั้นคือจริงๆหลายๆคนก็คืออย่างคุณแม่เลยเนี่ยตอนที่เขากระดูกพรุนเนี่ยเขาถึงก็ต้องกินยาตื่นเช้ามาห้ามกินอะไรทั้งสิ้นให้กินยาแม่นี้ลงไปก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงค่อยทานแคลเซียมตามเข้าไปนึกออกไหมคะเสร็จแล้วกินแคลเซียมตามเข้าไปแล้วหลังจากนั้นค่อยทานอาหารเพื่อมีโอกาสคือเหมือนก็ไปเปิดเปิดกระดูกให้มันดูดซึมแคลเซียมเข้าไปอะ แต่เรนไม่รู้ว่าผลข้างเคียงเป็นยังไงคุณแม่ทานอยู่อย่างเงี้ยคือเราก็เถียงกันเนาะมามกินแคลเซียมนิวเท้ไลไม่เอาหมอให้อันนี้มาไม่เอาหมอให้อนี้มาคือเชื่อหมอสุดท้ายมวลกระดูกไม่ขึ้นนะคะหยุดไปปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยเรนให้คุณแม่ทานแคลแคลแ ค, คลแมคดีที่อเมริกาก็ให้เขาทานไปเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเดี๋ยวนี้ก็ไม่ทานอย่างอื่นเลยเพราะว่ามวลกระดูกขึ้น พันยานะบางทีก็ไม่ได้ส่งผลกระทบแล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบในทางที่บวกเสมอไปใช่ไหมคะคือเรนจะบอกว่าบางทีถ้าเกิดเรารู้วิธีการดูแลตัวเองแล้วรักษาตัวเองได้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปกินยาที่มันมีผลและมีปฏิกิริยาไม่ดีกับร่างกายเพราะว่าโอกาสที่มันจะไม่ดีเนี่ยคืออย่างที่เินบอกธรรมชาติไม่ทําลายธรรมชาติถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติเรากินยาเข้าไปร่างกายเราตับไตของเราต้องทํางานหนักแน่นอนแล้วเวลาเราทานอาหารเสริมที่มันมีที่มันเป็นอาหารเสริมสังเคราะห์ สารคล้อยที่หมายถึงไม่ใช่เกิดจากธรรมชาติอย่างเดียวครังหน้าเนี่ยคิดจะให้เราเห็นว่าวิตามินที่เราทานกันอยู่ในท้องตลาดเนี่ยคะ่ะบางทีบางตัวสกัดจากยังมาไตา oh. โอ้ยน่ากินไหยคะไม่ต้องกินหรอกออกไปหน้าบ้านแท้แท้สักสามสี่คำกลับบ้านครบแล้ววิตามินฮะ <c oughs> <c oughs> เรียๆเอายังมาตไยหน้าบ้านเน่ยไม่ต้องไปไกลใช่ไหมไม่ต้องเสียตังค์ซื้อด้วย <c oughs> ว่าไปนะคะก็อย่างที่บอกว่า คนเราจริงๆน่จะบอกว่าไม่ได้เราส่วนใหญ่ไม่ได้เสียชีวิตเพราะว่าอายุหรอกค่ะจริงๆก็บอกว่า life expectancy ก็คืออายุของคนมนุษย์เนี่ยจริงๆน่าจะอยู่ประมาณสักร้อยี่สิบตอนนี้เราจะเห็นเฉลี่ยประมาณแปดสิบใช่ไหมคะแต่แปดสิบเนี่ยคือยี่สบปีหลังเนี่ยจากหกสิบเป็นอยงหนึ่งแปดสิบเนี่ยคะ่ะใช้ชีวิตประทังชีวิตด้วยยา ไม่ได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ได้อยู่อย่างแข็งแรงใช่ไหมคะเพราะว่าสภาวะสิ่งต่างๆรอบๆตัวเราเนี่ยแหละไอ้พวกที่เรากําลังพูดถึงอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลื่นกระแสแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆที่อยู่รอบตัวเราใช่ไหมคะมลภาวะที่เพิ่มขึ้นอาหารที่กินไม่สมดุลไลฟ์สไตล์ของเรานะคะนี่บอกคนไม่ได้คนเราไม่ได้ไม่ชอบออกกําลังกายเสมอไปเราอาจจะไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีเวลามากกว่าหรือไม่ได้อย่างนี้นะให้สมมติว่ชอบขี่จักรยานเล่นโรลเลเร์เ ไปเล่นเมืองไทยอาจจะตายได้คุณเห็นไหมคะอาจจะตายไม่ใช่ตายด้วยโรคตายด้วยถูกรถชนตายด้วยอุบัติเหตุเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วออย่างอากาศที่นี่น่าเล่นไหมคะนึกก็ไม่รู้เหมือนกันนะโหเห็นคนเขาชอบขี่จักรยานกันแล้วใส่เกียร์เต็มตัวที่สุดยอดมากเลยนะว่าแค่นึกถึงสภาพก็น่ากลัวมากแล้วน่ากลัวทั้งรถน่ากลัวทั้งอากาศใช่ไหมคะแล้วนึกเวลาเราเวลาเราเหนื่อยเหน่อย่ะเวลาเราปั่นจักรยานเหนื่อยเราก็ต้องหายใจลึกขึ้นใช่ไหมคะ โอยสารคาร์บอมนมอนอกไซด์นะคะเข้าไปในปอดสุดยอดเลยใช่ไหมคะเนาะจริงๆเราต้องเอาเครื่องกรองอากาศมาตั้งไว้หน้าบ้านทุกคนมีคนละตัวใช่ไหมคะเพื่อฟอกอากาศกรุงเทพคงจะมีวันนั้นนะคะก็เอาเป็นว่าเราไม่ได้เสียชีวิตจากเรื่องเรื่องราวแบบเนี้ยไม่ได้เสียชีวิตจากจากการแก่ตายหรือว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากความในที่สุดแล้วคือความเสื่อมอวัยวะของเรานะคะเสื่อมอย่างมีสุนัขตัวหนึ่งก็ตอนนั้นเสียชีวิตไปเสียใจมาก สิบขวบนะไปวันหนึ่งก็รู้เขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องตับก็ให้ทานยาทานยาไปทานยากลับมาทิ้งคือทุกอย่างคือพอไปพอไปชนสูตรศพก็พบว่าตับไตล้มเหลวคือมันเสื่อมสภาพอะทํางานได้ไม่ดีนะคะเกิดขึ้นจากอะไรคะเกิดขึ้นจากการทานอาหารเม็ดทานอาหารเม็ดเพราะว่าอาหารเม็ดมีปริมาณเกลือที่เยอะเกินไปอ mm ่า hmm. นะคะมันแรงเกินที่คือไม่สมดุลได้ง่ายแล้วไม่เคยให้ทานอะไรต่ำกว่าพรีเมียม นั่นหมายเขาว่าแบบสายอันสไนเดดยูคาโนบ้าเนื้อออกไปคะ่ะนูโตรแบบคืออาหารแบบเกรดดีๆราคาสูงๆหน่อยเพราะว่าเราคิดว่าสูตรอาหารนี้สมดุลใช่ไหมคะแต่พอดีเขาไม่ได้ให้หมาเขากินอันนี้เนื้อออกไหมเขาให้หมาเรากินนะคะก็เลยนะนะนะก็เป็นที่จุดทายานะแล้วก็กลายเป็นว่าหลายๆเรื่องเลยนะคะสนุนัขดินกะ็ตอนหลังเ อ, อตัวตัวเล็กนะคะก็ก่อนที่อีกปีหนึ่งเขาถึงเสียชีวิตก็คือเขาเป็นมะเร็งเต้านมก็พาไปตัดราวนมที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งออก เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ให้ทานน้ำมันปลาแล้วก็ให้ทานโปรโตีนแล้วก็ให้ทานกระเทียมโอ้โหมะเร็งไม่กลับมาอีกเลยสุดยอดไหมอหเอเ อ, เอหมายังกินได้เลยหนี่เธอตบมือให้อะไรเนี่ยตบมือให้นิวทีไล์เลยตบมือให้ซินดี้เออขอบคุณมากนะคะสุดยอดมากนะคะก็คือนจะบอกว่ามัน u n i อร์ซ a l จริงๆการดูแลสุขภาพ ถ้านะมันมีความสําคัญมากๆกับชีวิตประจำวันของเราเราอยากจะให้ร่างกายเราเนี่ยคือคือลินจะบอกว่าจริงๆแล้วเราเป็นโรคอะไรก็ตามเราสามารถอยู่ต่อได้อีกอะแต่ว่าชีวิตและไลฟ์สไตล์ในการอยู่ต่อได้หลังจากที่เป็นโรคแล้วเนี่ยมันจะแตกต่างจากชีวิตที่ไม่เป็นโรคจริงปะคะอือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสามารถดูแลสุขภาพได้เรื่อยๆเรื่อๆื่อยๆแล้วชะลออาการที่เราจะเป็นมะเร็งหรือที่เราจะเป็นอะไรโรคเสื่อมๆทั้งหลายเนี่ยให้มัน ผักมันออกไปอีกสักสิบปีหรือสิบห้าปีกับการลงทุนแบบนี้มันก็ถือว่าคุ้มจริงไหมคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราสามารถชะลอเวลาป่วยออกไปได้มันย่อมดีกว่าอยู่แล้วอะ่ะให้เราป่วยแล้วก็ต้องมานั่งทานยายอย่างคนที่เป็นคนที่สูงวัยเนี่ยถึงเวลาแล้วคุณจะบอกว่าความสําเร็จทําไมต้องสาคัญเวลาอายุยังน้อยเพราะว่าวันที่เราแก่แล้วเนี่ยนะคะคือพ่อเลี้ยงคนพ่อเลี้ยงลินนะคะตอนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่อายุแปดสิบกว่าละว mm hmm. เขาเริ่มจะสูญเสีย อปเปไทปในการกินอะคือเริ่มจะแบบไม่กินอาหารหรือกินน้อยลงนะคะทานน้อยลงแล้วก็บางทีก็ไม่ทานได้เลยอะคือมันสุดคือเหมือนกับน้ําย่อยร่างกายอะไรกับระบบเผาผลาญการกินอะไรพวกนี้มันเริ่มชะลอตัวลงมากๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาไม่จําเป็นต้องกินแบบเรานีแบบมาถึงเวลาหิวแล้วใช้พลังงานใช่ไหมคะแล้วคนแก่ๆ ก, ก็คือบางทีแซนด์วิชครึ่งอันก็อิ่มแล้วอะแล้วเวลาไปไหนก็ไปไหนไม่ได้ไกลล่าสุดเขาก็ไปเที่ยว หรือเชียรนาไปอีกรัดหนึ่งนะคะไปลัดหนึ่งกันไปเที่ยวกันสองคนนะคะแล้วก็ขับรถไปนั่งรถไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีต้องต้องคอยระวังในเรื่องของการกินการนอนนึกออกไหมแล้วมันเป็นทัวร์คนคนเกษียณแล้วอะ่ะเขาเป็นซีเนียทัวร์เพราะเช้าวันหนึ่งเที่ยวแค่ประมาณสักสี่ชั่วโมงแล้วที่เหลือก็ไปแนปเป็นเป็นงี้น่ารักมากเลยชอบนะคะคือแบบรู้สึกว่าเขาเขาเข า, เขาดูแลคนแก่ดีเนาะคนแก่ บ, บ้านเราก็ไม่ได้มีชีวิตแบบนี้เลยเนาะ ไลฟ์สไตล์แบบว่าที่เขาแบบโอเคมีจุดศูนย์มารับนะเดี๋ยวรถรับไปเสร็จแล้วไปแล้วก็ไปสังสรรค์กับคนกเกษียณผู้อื่นนะคะก็รวมอายุกันก็เป็นเนื่องอมาเป็นทศวรรษเลยนะคะเป็นสตวรรษเลยไม่ใช่ทศวรรษเนื่องมว่ารวมอายุก็เป็นพันเลยอ่ะคือเป็นเป็ น, เ, ปนเขาเรียกอะไรนะศัตววรรษเลยมานะคนะดุริแรงมากแต่ว่าเราก็จะเห็นคนที่วิลเินได้เจอตอนที่ไปอยู่เนี่ยก็จะเจอคนที่เป็นโลกสารพัดโลก คือในหมู่บ้านเราเนี่ยะคะก็คือถ้าสมมุติว่าคือมันเป็นเรื่องธรรมดาที่กลางคืนจะได้ยินรถรถพยาบาลอ่ะได้ยินเสียงรถพยาบาลคือไม่หมู่บ้านเราก็หมู่บ้านกนข้างเพราะทุกคนที่อยู่หมู่บ้านเหล่านี้ต้องอายุ55ขึ้นไปอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเมื่อคืนนี้คนนี้เข้าด้วยหัวใจวายคนนี้เข้าด้วยเนะะื้อค่ะถ้าแรงๆก็แบบเป็นพวกสโตรกหัวใจวายหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวฉันต้องไปหาหมอเพราะ macular degeneration ก็ De คือคือตาเขา คือกล้ามเนื้อตาทํางานไม่ปกติแนละ้วก็จะค่อยๆตาบมมอดไปเรื่อยๆอพอตาบอดไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็นขับรถไม่ได้แนละ้นะคะบางทีก็ต้องแอบขับรถกันบางทีคนเก้าสิบอายุเก้าสิบก็ยังแอบขับรถคือมองไม่เห็นแต่ก็ยังขับรถอยู่อะไรอย่างเงี้ยน่นากลัวมากนะครับคนแก่ที่นั่นเกาถึงบอกว่าอะไรแนละ้วจังหวัดไอ้รัฐฟลอริดาเนี่ยเป็นรัฐที่ค่าประกันรถแพงที่สุดหนึ่งคือมีแต่วัยรุ่นที่เรียนมาหาลัยแล้วก็ขับรถกันเมา สองคือมีแต่คนแก่ที่มองอะไรไม่เห็นแล้วก็ขับรถกันชา้า <laughs> <laughs> มอนก็เลยไปตีกันอยู่บนบนน้องถนนสองสองวัยนี้สองเจเนอเรชันนี้ถ้าเราไปอย่างไมอามี่นะคะก็คือเป็นรัฐที่เอ้เป็นเมืองที่อยู่ติดทะเลใช่ไหยคะเราจะเห็นคนแก่ที่กเกษียณแล้ว่ะนั่งอยู่ตรงระเบียงแล้วก็นั่งกินอะไรไม่นั่งชิงชา้าแล้วก็ดูวัยรุ่นใส่บิกินี่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเหรอไหมคะ <laughs> ตลกดีนะคะคือมันมีมันมีวัยสองวัยอยู่ใ น, อ ย, ในอยู่ในเมืองเดียวกันก็ <laughs> นี่แหละค่ะก็คือเรื่องที่เราจะบอกว่าโรคเสื่อมนะคะเรื่องไร้รไแรงที่สุดก็คือเรื่องพวกหลอดเลือดหัวใจความดันเป็นเป็นเรื่องปกติมากพอเราอายุเยอะขึ้นใช่ไหมคะพออายุมากขึ้นเรื่อยเรื่เรื่องธรรมดาก็คือความดันเราจะขึ้นความดันขึ้นเพราะว่าไอเนี้ยแหละเห็นที่เราพอกันมสดีเอล d ีมีเอลดีเอลนั่นไปเกาะมีริมเลือดไปเกาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเราทานอาหารที่หวานมากๆหรือว่าเลือดเราเป็นกรดมากๆหลอดเลือดเราจะแข็ง พอหลับเรื่อเราแข็งไม่ยืดหยุ่นปุ๊บโอกาสแตกง่ายไหมง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังที่สุดก็คือในการทานอาหารให้สมดุลรักษาความเป็นกรดเป็นด่างในในเลือดของเรารู้ไหมเป็นไหมว่าเป็นกรดหรือเป็นด่างไม่รู้รแต่เรารู้ประเภทอาหารที่มันทําให้เกิดขึ้นใช่ไหมค ะ, ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือเราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องกินอะไรเพื่อไปบาลานซ์นะคะความเป็นกรดในเลือดของเราใช่ไหมคะน้ําดื่มก็สําคัญนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือ ความเสี่ยงของเรื่อ ง, องการเออ่เกิดเรื่องอนุโมทิชะล่ะนะคะก็อย่างที่เรนบอกมีสาเหตุอะไรบ้างนะคะมีมีสภาวะสิ่งแวดล้อมถูกไหมคะมีอาหารมีเรื่องคลื่นต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องของความเครียดนะคะเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่เราเคยเอ่ยถึงในในครั้งแรกที่เราเรียนดีท็อกซ์แล้วก็คือเรื่องของสันประลอดที่อยู่ในที่อุดฟันนะคะแล้วก็ตอนนี้มีวิจัยค้นพบขึ้นมาใหม่ว่า ฟลูออไรน์เนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากจริงๆแล้วมันไม่ใช่การค้นพบใหม่มันเป็นการค้นพบเก่าตั้งแต่ปี192กว่าแล้วแต่ว่าเขากำลังเอากลับมาคน้นค้นคว้าใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าฟลูออไรนมีผลกระทบจริงหรือเปล่าเพราะว่ายาอย่างเช่นตัวโปรแซกโปรแซกได้เป็นยาเกี่ยวกับเรื่องการการกดสภาวะของคนที่เป็นโรคแบบโรคทางจิตนะคะก็มีส่วนผสมของฟลูออไรน์สูงมาก ะะแล้วอยาพวกนี้ก็คือมีผลข้างเคียงการทานฟูร้าหรือว่าการการทานอะไรที่มีฟูร้าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีผลนะคะตอนนี้ยังไม่ยังไม่ยังไม่ชัวเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราในคอร์สครั้งต่อไปเราอาจจะมีข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปแล้วมีผลด้วยการวิจัยมากขึ้นนะคะก็จะมีเรื่องของการการรีเวิร์สก็คือการรักษาโรคเบาหวานกับเรื่องของฟูร้า ถ้าการรักษาโรคเบาหวานได้ลินก็ถามเขาว่ามันต้องมีระดับเบาหวานเนะี่ยคื อ, ค, อคือรุนแรงแค่ไหนถึงจะรีเวิร์สได้เพราะลินเชื่อว่าถ้าเกิดคนที่เป็นระยะยาวแล้วแล้ ว, ลวมีปัญหายาวนานอย่างเช่นพวกอินซูลินดิเอนเดนเนี่ยไม่น่าจะทำได้ mm hmm. เขโมบมันเป็นไทป์2ลินบอกเออก็นั่นแหละส่วนใหญ่มันก็ไทป์2แหละมึงออกมาอย่ามาอย่ามา ยังมาเก่งเท่านี้นะคะก็ก็บอกเขาก็เป็นส่วนใหญ่ก็ไทฟทูลนแหละแต่เขาก็เขาก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลลิ้นชัดเจนมากนะคะแต่เป็นครั้งหน้าที่เราจะเจอกันก็ต้องก็ต้องซักกันเรื่องนี้เล็กน้อยนะคะซักให้สะอาดแล้วก็นะคะก็คือเรื่องโรคของหลอดเลือดและหัวใจใช่ไหมคะที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติก็เมื่อกี้ที่ดอมบอกแหละก็คือใส่ยางอ่ะเวลาเราจะล้างจะฉีดให้มันไกลเราก็จะบีบปากมันเมื่อฉีดแรงขึ้นไอความฉีดแรงอันนี้ยเมื่อไปเจอหลอดเลือดที่เปราะแล้วทางโค้งพอดีนึกออกไหมคะ ช่วงพุ่งไปเนี่ยหัวใจปั๊มปึ๊บพุ่งออกไปเสร็จมันก็ทะลุสิคะนึกออกไหมคะอ่านะคะหลอดเลือดมันตีบใช่ไหมหลอดเลือดมันบางหลอดเลือดมันปลอกนะคะโอกาสที่มันจะพังก็เร็วขึ้นทีนี้ริมเลือดก็จะมาเกาะเกาะเสร็จแล้วมันก็หนาขึ้นทําให้หลอดเลือดมันยิ่งแรงขึ้นอีกความดันความดันหัวใจถึงได้แรงขึ้นเรื่อยๆร่อนึกออกไหมคะคือความดันในในในในหลอดเลือดของเราเนี่ยที่เราวัดกันร้อยสี่บศูนเก้าสิบเนี่ย นะคะส่วนคนความดันต่ําไม่ต้องไปตกใจนึกออกไหมคะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากถ้าไม่ได้มีถึงขนาดแบบว่าวิวหรือวูบอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆการออกกําลังกายช่วยได้นะการออกกําลังกายแต่ไม่ต้องหนักมากแล้วก็ไม่ต้องแบบว่าโหมเยอะนะคะคือให้ท่างกายมีการขับเคลื่อนนิดนึงเพื่อให้หัวใจแข็งแรงขึ้นบางทีหัวใจมันแบบมันมันบีบเลือดไม่ได้เต็มที่นึกออกไหมาะพอบีบเลือดไม่เต็มที่ในการบีบเลือดหนึ่งฟื้นให้ให้เลือดมันหมุนเวียนหนึ่งทีเนี่ยมันอาจจะต้องใช้กําลังเยอะกว่า ืจะสังเกตว่าคนที่ออกกาลังกายเยอะๆใช่ไหมคะหัวใจจะเต้นอย่างพ่อลินเนี่ยเมซ z i n g มากเขาเป็นคนที่หัวใจอายุอายุตอนนี้60กว่าแล้วใช่ไหมคะแต่หัวใจเต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 60-70 ครั้งตอนตอ น, นตอนนาทีซึ่งลนะินเนี่ะประมาณ90สมัยก่อนเนี่ยนะมีช่วงแบบที่ไม่ออกกําลังกายเลยอย่างเงี้ยนะคะก็อยู่ที่เป็นร้อยอ่ะก็ถ้าบอกหัวใจเราทำมันหนักกว่าคนอื่นนะเรื่องเบาหวานก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเบาหวานกับความดันเนี่ยเกี่ยวข้องกัน กินหวานน้ำตาลในเลือดเยอะเลเส้นเลือดเปราะถูกไหมคะอามีการแตกตัวของเส้นเลือดปุ๊บก็ทําให้เกิดความดันใช่ปะหรือว่าความดันนะคะรีเวิร์สกลับมานะคะก็อาจจะมีเรื่องของแบบน้ําตาลอะไรต่างๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคืออาหารต้องห้ามในประจําวันนี้เลยนะคะเรื่องโรคเสื่อมคือน้ําตาลเกลือนี่ทําให้ความดันสูงการกินเค็มมากๆนะคะไตเราล้างออกไม่หมดนะคะทำให้ความดันสูงขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของน้ําตาลสูงในเลือดเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่ ไม่ค่อยพึงปรารถนาใช่ไห hm right? มเพราะมันทำให้เลือดเป็นกรดด้วยทำให้เกิดน้ำมูยฉลาดด้วยลดแคลเซียมด้วยคือประเด็นมันคือโจทย์หลักเลยอะวันนี้นะคะก็คือเรื่องน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการจะสั่งเค้กจากนิว t ทิรก็ต้องระวังนิดนึงโอ้โหปาดแรงไปนิดนึงนะคะเอาไปขนาดนั้นเลยอ่านะคะเรื่องต่อมาก็คือเรื่องโรคมะเร็งนะคะมะเร็ง มะเร็งไม่ได้ยิงมะเร็งเฉยๆไม่ได้ยิง อ, อ่านะคะไม่ต้อง <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ไม่ต้องมาตบมือ <c oughs> โอเคนะคะพี่ดย <c oughs> อยเขียนยงไงลงอะเลงไม่ได้ยิงโธ่เอ้ยนะคะเส้นลึกนะคะโอเ ค, อเคมะเรงคือเรื่องของ มีมะเร็งหลายชนิดมากแต่และชนิดเกิดขึ้นไม่เหมือนกันแต่และชนิดก็มีเหตุผลและก็มีออนเซ็ตต่างกันอ่ะสรุปแล้วเนี่ยเซลล์มะเร็งอยู่ในร่างกายเราตลอดเวลาอยู่ละนะคะร่างกายเราก็เจอเสร็จแล้วมันก็เนี่ยเหมือนให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยมันก็จะไปถึงเสร็จมันก็จะไปกินนึกออกไมครัพอไปกินเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ถ้าเกิดมันกินได้สําเร็จนะคะเราให้ฟันมันคมมากพอใช่ไหมคะให้มันแข็งแรงมากพอไม่เลือดขาวแล้วก็กําจัดเซลล์มะเร็งได้แต่มันไม่ได้มีวิธีเดียว นะคะอ่านะคะมะเร็งมีหลายแบบมะเร็งแบบที่เป็นไวรัสก็สามารถฉีดป้องกันได้เช่น HPV ใช่ไหมคะก็คือมะเร็งในปากมดลูกผู้หญิงใช่ไหมคะก็มีวิธีการป้องกันได้นะคะมีมะเร็งที่เป็นคอมมอนที่สุดนะตอนนี้ตอนนี้นะแปลกมากเขาบอกมีมะเร็งที่รักษาโอกาสรักษาหายยากมากมีอยู่ห้าชนิดเลือดน้ำเหลืองตับปอดแล้วก็เป็นจำปยันไม่ได้อะ มันมักจะจำไม่ได้อันสุดท้ายอะเสมอเลยนะคะถ้ามีห้าจำได้แค่สี่ฮะโนลลำไส้หายง่ายมากหัวเอ้ยมะเร็งในหัวใจไม่ใช่เหมือนกันเดี๋ยวกันมันยังไม่กระดูกอืมนะคะ <c oughs> <c oughs> ฟุกอะ่ะโอเคใช่ กระตูนมากเลยให้สังเกตไหมว่าเราดูแอนิเมชันของญี่ปุ่นนะเห็นไหม ท, ที่พี่ดอมเขาเอาคนที่เข้าไปทำเอ็มไออ่ะคือมันจะรู้เลยว่าเป็นญี่ปุ่นต่อให้เอาตัวหนังสือออกให้หมดเลยนะเราก็จะรู้ว่ามันเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีแบบตรงนี้เป็นสว่างแนละ้วตรงนี้เป็นจะมืดๆอย่างนี้เห็นไหมคะแบบเหมือนเหมือนกานะ <c oughs> ร์ตูนน่ะฮะเซตฉากอะ่ะเออนะคะอะกลับมาที่มะเร็งที่ไหนแล้วนะ ห้าอย่างนักษาไม่ได้นะคะแลวตอนนี้มะเร็งที่คอมมอนที่สุดคือเป็นเป็นกันเยอะที่สุดก็คือปอดกับลำไส้นะปอดกับลำไส้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะคือใครเคยศึกษาชีววิทยานะคะ<ๆ>ก็จะรู้ว่าปอดเนี่ยมันจะแบบเป็นอะไรที่นึกออกไหมมันจะวิว ๆ, ๆิวละเอียดะ่ะเพราะฉะนั้นการแพร่ของมะเร็งก็จะเร็วมากด้วย แล้วลมหายใจของเราออกซิเจนที่เกิดขึ้นแล้วก็การการกา ร, การกระจายอะ่ะมันสูงมากการกระจายของมะเร็งในปอดเี่ยสูงมากแล้วสิ่งที่มันกระจายไปก็คือกระจายไปที่สมอง mm hmm. คนที่เป็นโรคนี้ก็คือพ่อเลี้ยงลินเองพ่อเลี้ยงลินก็สู่บุหรี่มาเขาลงทุนไปเยอะมากนะเขาก็ได้เขาก็ได้คุ้มทุนอะ่ะ mm hmm. นะคะก็ได้มะเร็งสมใจนึกนะคะเขาลงทุนไปสู่บุรี่ประมาณห้าสิบปีสู่ตั้งอายุสิบสี่อ่ะ สุบริไปนานมากเลยเสร็จแล้วตอนที่เขายุ่งเจ็ดสิบก็สร้างบ้านในฝันเสร็จแล้วเขามีความฝันว่าจะสร้างบ้านอยู่ริมริมสนามกอล์ฟคือบ้านหลังบ้านเลยเนี่ยก็มันจะมีแบบเป็นห้องฟลอริดาเนี่ยเขาเรียกว่าห้องฟลอริดาเป็นมุ้งร่วนแล้วก็เป็นห้องคือกันยุงแต่ว่าอยู่อินดอร์แล้วก็จะมองเห็นสนามกอล์ฟโอ้โหสวยมากนะคุณพ่อเรียนก็สร้างบ้านหลังนี้เสร็จตอ น, นอายุเจ็ 70. กว่าเราจะทำฝันเราเป็นจริงได้เนาะใช้เวลานานพอสมควรนะคะก็เจ็สิบสร้างบ้านในฝันเสร็จเรียบร้อยนะคะเจ็สิบเอ็ดก็ป่วยหมอไปพาตัดนะคะพาตัดหัวใจพ่าตัดหัวใ จ, วใจแล้วพบว่าเป็นมะเร็งปอดทําให้มะเร็งปอดที่เป็นอยู่แพร่เร็วขึ้นเพราะไปเปิเปดหัวใจผ่าใช่ไหมปรากฏว่าไปรักษาหัวใจไปพบว่าเป็นมะเร็งมะเร็งลามไปถึงสมองส่วนหลัง ตอนหลังเนี่ยก็คือไม่สามารถนอนได้นะไม่สามารถนอนหลับคือนอนเองได้เพราะว่าก ón, mm. ้อนก้อนมะเร็งมันมันโตอยู่ตรงท้ายทอยนะต้องนั่งหลับตลอดเลยแล้วก็โอ้โตอนตอนนั้นเลยรู้สึกประทับใจพ่อเลี้ยงมากนะคะก็รู้สึกว่าตอนนั้นคือเขาก็รู้ว่าเขาไม่รอดแน่ๆนึกออกไหมคะเพราะว่ามันลามไปหลายที่มากแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบคือตอนที่คุณแม่เล่าให้ฟังก็พูดว่าคือณตอนนั้นเนี่ยมันมีช้อยส์ในการเลือกยายอยู่สองแบบ จริงๆพ่อเลี้ยงเนี่ยเป็นกับลินนี่เป็นคู่กัดกันเลยเนึกออกไหมคะเป็นเรื่องธรรมดาว่าลูกเลี้ยงกับพ่อเลี้ยงอะ่ะเนาะพ่อเลี้ยงก็จะแบบต้องกลับบ้านก่อนเที่ยงคืนเลยอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะคือแบบเที่ยงคืนอะไรไม่ใช่ซินดเดอเรลล่านึกออกว่าจะกลับตีสองก็กลับตีสองโดยไม่ต้องกลับเที่ยงคืนเป็นอะไรยุ่งกับชีวิตฉันพ่อก็ไม่ใช่แล้วสรุปว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่อสอนสอนลินขับรถเป็นคนที่สอนให้ลินรู้จักความรับผิดชอบในชีวิตคือลินว่าแบบแต่ก่อนนี้ลินขับรถชนใช่ไหมคะ กลับมาเมืองไทยเนี่ยตัวตัวดีเลยก็เอารถที่บ้านเนี่ยขับเสร็จทุกรอบกลับมาเมืองไทยหนึ่งเดือนเนี่ยต้องชนทุกรอบนึกเหรอวะไม่ชนก็เฉี่ยวประตูปุบบ้างเบียดเสาบ้างนึกเหรอว่ามันแคบอ่ะใช่ไหมว่าอยู่เมืองนอกมันกว้างอ่ะนี่มันแคบอ่ะก็เบียดไอ้นั่นเบียดไอ้นี่นึกเหรว่ายางแตกบ้างอะไรบ้างเสร็จแล้วแล้วมันมักจะชนแล้วเจ๊งวันก่อนที่ลินจะกลับพอกลับเสร็จปุ๊บก็อ่าสบายไม่ต้องถูพ่อก็จะต้องเอารถไปซ่อมนึกเหรอคะเขาก็จะโกรธมากเลยแต่ว่าพ่อลินก็ไม่เคย คือไม่ได้สอนอะไรเรื่องราวแบบนี้นะแต่ว่าพ่อเลี้ยงนินต่างหากนะที่เป็นคนที่แบบคือเขาให้รถเล่นมาคันหนึ่งคันแรกสุดเลยนะคะเป็นเป็นเป็นโหนี่นอกเรื่องมากเลยน ะ, ะแต่ต้องเล่าความสําคัญของพ่อเลี้ยงให้ฟังก่อนน ะ, ะก็คือมีสเตชันวายก็หน่ะก็คือเป็นรถที่มันเป็นปนึกออกไหมเป็นรถสเตชันวายกันภาษาไทยเรียกว่าอะไรรถแวนนะ่ะนึกออกไหคะรถแว น, ร ถ, แวนรถยนต์ที่มันแบบ ม, ม, มีมีต่อท้ายอะ่ะไม่มีไม่มีกระโปรงรถ เขาก็ให้รินมาคันหนึ่งแต่มันเก่ามากเลยคืปี70นะแกกว่าลินอีกแล้วก็ให้รถคันนี้มาคันหนึ่งแล้วลินก็ขับไปเป็นรถที่ลินไปไหนไม่ต้องล็อกนึกออกไหมเพราะมมีใครอยากได้คือรถมันแบบข้างในก็โซมข้างนอกก็โซมอะไรอย่างเงี้ยลินขับจนมันดับกลางฟรีเวย์นึกออกไหมตอนตีสองไปดูคอนเสิร์ตแล้วหลังจากนั้นก็โดนเขาก็เลยบอกมึงเดินให้รถไปแล้วไม่นะเดินนะคะก็เลยจากวันนั้นนะเดินจนเก็บตังค์ซื้อรถเองได้ เสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณพ่อเรียงก็คือหักเงินเดือนน่ะค่ารถคือเขาสอนให้เรามีความรับผิดชอบแบบแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคือเขาก็เป็นคนหนึ่งที่มีอิทธิพลในชีวิตอยู่เยอะเรื่องความซื่อสัตย์การพูดความการไม่พูดโกหกเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเรียนได้จากเขาเยอะมากรู้สึกว่าโอ้โหเขาสอนนืกออกไหมพวเวลาตอนที่เขาเสียเนี่ยเรียนไปพูดเป็นเป็นยูริจีก็คือไปพูดเรื่องตอนงานศพเขาแล้วก็ร้องไห้พูกไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วคนที่เรา คนที่เขาดูแลแล้วสอนสอนเรานะคะก็คือเขาเรียกว่าเราก็มีอยู่แค่รู้บุญคุณใช่ไหมคะสำนึกบุญคุณทดแทนบุญคุณนะคะก็ไม่มีโอกาสได้ทดแทนเพราะว่าตอนที่เขาจะก่อนที่เขาเป็นมะเร็งเนี่ยเขาต้องกินยาแล้วยาเนี่ยมีให้เลือกสองแบบเราจะเลือกกินพาราเซตามอลก็ได้หรือเราจะเลือกกินไทเรนอล ก, ก็ได้ใช่ปะอาหนะคะก็คือมันก็คือยาตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ยานึงมียี่ห้ออาจจะมีแบบ กระบวนการผลิตที่ดีกว่าสะอาดกว่าหรือบริสุทธิ์กว่าหรืออะไรไม่รู้สรุปแล้วเนี่ยก็คือคุณพ่อเลี้ยงเรียนบอกคุณแม่ว่าเอาแค่ยาวให้ประทังชีวิตให้มันไม่ทรมานมากไม่ต้องมียี่ห้อฉันอยากให้เธอเก็บเงินเอาไว้เพื่ออยู่ในชีวิตหลังจากที่ฉันตายไปแล้วโอ้โอเยเรารู้สึกวแบบ่าถ้าวันนั้นเรามีไรายได้ที่สามารถดูแลเขาในโลกมะเร็งนี้ได้นะเราคงจะให้เขาอยู่ในช่วงเวลาที่เขาอ ย, อยู่ได้สบายกว่านี้จริงปะ คือคติอันนี้มันมันเกิดขึ้นกับพ่อเลี้ยงก็จริงแต่มันก็ทําให้ลินสะท้อนกับความคิดที่คิดถึงพ่อแม่ของตัวเองว่าวันหนึ่งถ้าเกิดเราประสบความสําเร็จไม่พอแล้วแม่เราจะต้องบอกว่าไม่ต้องเอาแม่ไว้แล้วเหรอปะเพราะว่ามันเปื้อนเงินมากเลยนี่ยหรอไหมคะยังไงก็ตายอยู่ดีแล้วเราไม่มีโอกาสได้ให้เขาอยู่ต่อได้อย่างมีความเนี่ยอไหมอยาอย่า ง, อ ย, างอย่างน้อยทรมานน้อยหน่อยอะนึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ นั่นแหละคือโอกาสของเราในการที่เราจะได้ทดแทนอะไรบ้างเนึ่องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คุณเลยรู้สึกว่าเออเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้สึกเสียดายและเสียใจนะคะเราก็อย่าเสียเสียเสียดายอย่าเสียดายนะคะเสียใจได้อย่าเสียดายนะคะโอเคกลับมามะเร็งนะคะก็พ่อส่วนพ่อพ่อแท้ๆก็เป็นมะเร็งเหมือนกันใกล้ตัวมากเลยนะมีใครมีญาติใกล้ใกล้ใกล้ชิดที่เป็นมะเร็งไหมคะ no นะคะก็ คุณพ่อลิงก็เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากคุณพ่อเป็นคนกลัวมากเรื่องต่อมลูกหมากนี่เพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วเนี่ยผ่าตัดไม่ดีใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะไปโดนเส้นประสาททำให้เส้นประสาทและกล้ามเนื้อในการบังคับการปัสสาวะทำให้ปัสสาวะไหลตลอดเวลาไม่มีการอั้นที่สาคัญคือสมรถสมรถภาพทางเพศจะหายไป พ่อบอกไอ้ฉีเนี่ยมันเรื่องหนึ่งแต่ว่าไอ้เรื่องสมรรธภาพ ท, ทางเพศนี่ไม่ได้เด็ดขาดก็เลยบอกว่าทีแรกจะผ่าที่ศิลิราชสองกล้องนะคะสองกล้องผ่านะก็ตัดสินใจว่าไม่เอานะคะก็เขาก็ไปค้นคว้ามาไปหาสถาบันหนึ่งซึ่งสุดยอดมากๆนะคะเป็นอันดับหนึ่งในโลกชื่ออนเดอร์สันเซทิวนะคะก็อยู่ที่ฮิลตันคุณพ่อเล่นบินไปฮิลตันตอนประเมินราคาผ่ามะเร็งที่ประเทศไทยเนี่ยประเมินเจ็ดหมื่นบาทตอนที่ไปประเมินที่ฮิลตันก็เจ็ดหืเหมือนกันเจ็ดหมื่นเหรียญ นะคะก็ใช้โรบอทผ่าใช้หุ่นยนต์ผ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหมดสิทธิที่หมอจะมือสั่นเนื่องว่าหมอมันเกิดคันจมูกสั่นอะไรอะไรชั่วไปเสร็จปุ๊บไปเลยเนื่องว่าลูกหมากเธอลูกหมากใครลูกหมามันละนะคะก็ก็เป็นปมประเด็นนั้นเขากลัวมากเลยนะสรุปคุณพ่อเล่นกลับมาประมาณสามเดือนก็เดินติกอล์ละเพื่อนบอกว่าคุณพ่อเพื่อนพ่ออีกคนหนึ่งนะคะก็เป็นโรคเดียวกันนะคะก็ผ่าเมืองไทยจนบัดนี้ยังใส่ไดเปอร์อยู่เลยนะคะก็เนี่ย อย่างที่ลิมบอกว่าบางทีบางทีนะเงินก็แก้ปัญหาได้ใช่ไหมคะแต่เงินไม่ได้แก้ปัญหาได้ทุกเรื่องนะคะอ่านะคะกลับมาที่เรื่องของเรานะคะมะเร็งก็คือคุกคามอยู่รอบตัวเราเกิดขึ้นจากการที่อนุมูลอิสระของเราอนุมูลอิสระในร่างกายเราที่เกิดขึ้นจากการเผาผลาญอาหารจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําเนี่ยมันก็ค่อยๆมาคุกคามเข้าไปในลึกลงลึกลงในเซลล์ของเราเรื่อยๆจนในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ DNA ของเรานะคะสูญเสีย คือดีเมันจะมีมันจะเป็นเกลียวคู่แล้วเกลียวเนี้ยจะเป็นเหมือนบันไดอ่ะมีมีเส้นสองอย่างที่คอยเชื่อมมันอยู่เชื่อมแล้วมันก็จะเป็นคอมบิเนชันของเซลล์สีเป็นของสี่ประเภทอ่ะไอ้สี่ตัวเนี้ยมันก็จะสลับกันแต่มันจะสองกันนจะคู่กันตลอดเวลาแต่ว่ามันจะสลับในการเรียงไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือหรือว่าชีวเคมีชั้นลึกนิดหนึ่งนะคะก็เอาเป็นว่า เวลามันถูกทำลายบางทีคู่มันถูกทำลายหรือตัวต่อมันถูกทำลายไปมันก็ทําให้เกรียวเนี้ยมันไม่สมบูรณ์พอเกลียวไม่สมบูรณ์เนี้ยมันก็ไม่ใช่ไม่สามารถที่จะก๊อปปี้ตัวเองได้มันสามารถก๊อปปี้ตัวเองได้แต่มันจะก๊อปปี้ผิดก็เรียง่ายว่าเรามีบลูพิ้นอ่ะก็คือมีมีพิมพ์เขียวผิดพอพิมพ์เขียวผิดตึกก็สร้างผิดนึกออกไหมคะอิดทุกอย่างผลิตภัณฑ์ที่อยากออกมาจากตรงนั้นก็คือสร้างผิดหมดเลยอะแล้วมันก็สร้างมาบางทีแล้วเซลล์ที่มันเพี้ยนเนี้ยนะคะมันก็จะผลิตเร็ววก่า เซลที่มันปกติเซลปกติเราก็จะแบบสอาทิตย์หเดือน3เดือนแล้วแต่เซลลใช่ไหมคะแล้วแต่ความแข็งแรงหรือว่าแล้วแต่อายุของเซลล์นั้นๆทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติมันผัดเร็วขึ้นมันก็เลยเติบโตกลายเป็นเนื้อก้อนเนื้อเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่าให้คอยสังเกตดูว่ามีก้อนเนื้ออะไรในร่างกายเราที่มันเติบโตผิด ป, ปกติไหมอย่างเงี้ยไงไงถ้าเติบโตผิด ป, ปกติแสดงว่าเซลมะเร็งกำลังมาแล้วนะคะมันก็เกิดขึ้นจากอนุมูลิสระ นะคะเราก็เห็นภัยของมันละอย่างที่ลินบอกก็คือในการดูแลสุขภาพของเราก็คือดูแลให้สม่ําเสมอดูแลต่อเนื่องนะคะแล้วก็คอยดูว่าตัวเองกินอะไรไม่ได้ห้ามให้กินอะไรแต่ว่าต้องรู้วิธีในการดูแลตัวเองหลังจากที่กินสิ่งนั้นๆัใช่ไหมคะถ้าเราดูแลตัวเองได้ถูกต้องนะคะเราก็สามารถมีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดได้แล้วก็ชะลอโรคไร้ายเหล่านี้ที่ฆ่า ช, ชีวิตของคนเยอะมากนะคะส่วนในเรื่องเบรคฟาสต์นะคะลินยังยืนยันนะคะควรจะต้องทานนะคะเพราะว่า น้ำตาลออกซิเจนนะคะและน้ําสมองนะคะขาดน้ําแห้งเกินไปนะคะก็ทําให้ไปเนื่องมาจากมันเหมือนกับไม่ไ ม, มีไม่มีโช๊คอะรถเรามีโช๊คใช่ไม่มอืมแต่ก่อนนี้มีแหนบอต่ที้มีโชค๊คใช่ป่ะมีไฮดรอลิกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือในสมองเราน้ําก็เปรียบเสมือนโช๊คให้กับสมองไม่ไงั้นมันก็กระแทกกับกะโหลกเนื้อกระแทกกับมันจะมีเยื่อบุกระโหลกใช่ไหมคะอ่ามันก็จะมีเยื่อบุแล้วมันก็จะไปกระแทกไปสีเนื้อเอาไหมคะความเสื่อมและความเสียหายก็เกิดขึ้น ถ้าเราดื่มน้ำมากพอนะคะก็ทำให้น้ามันมีสมองมันมีคัชเช่นอยู่มีมีเบาะอยู่มีโชกอยู่แล้วก็น้ำตาลนะคะเป็นอาหารของสมองกับออกซิเจนสองอย่างนะคะก็ไม่ได้เป็นข้ออ้างที่ให้ทานน้ำตาลแต่บอกแล้วว่าทานให้พอเหมาะพอสมนะคะไม่ต้องทานแบบโผมกระหนำ่ำทุกสิ่งทุกอย่างใส่น้ำตาลบางคนกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนก๋วยเตี๋ยวเชื่อม นะคะก็อยากบอกพวกเรานะคะว่าดูแลสุขภาพสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรหรือว่าอยากจะปรึกษาเรื่องโรคอะไรต่างๆน ะ, ะของตัวเราเองหรือว่าคนที่เรารักนะคะมาถามหลังใหม่ได้ขอบคุณสวัสดีค่ะ